เป็นอย่างนี้แหละไม่ไม่มีอะไรที่คงเส้นคงวาทเ่แท้แ น, น, น่นอนมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาแต่กิเลสไม่ชอบยึติชอบไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงชอบอะไรแล้วก็อยากจะให้เปอย่างนั้นไปเสมอเราอยากให้เสื่อมลง ไม่อยากให้สูญไปไม่อยากให้จากไปพอจากไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาธรรมะจึงมีหน้าที่สอนสอนใจให้รู้จักปรับใจให้เข้ากับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นเรื่องของบุคคลเป็นเรื่องของวัตถุสิ่งของต่างๆเป็นเรื่องภาวะต่างๆเช่นอากาศจึงฟ้าอากาศต้องมนการเปลีป่ยนแปลงเราเราก็ออกมาจากเลืดฝนเลือดน้ําท่วมอันนี้ก็เข้าสู่ฤดูอดาวเดี๋ยวก็เลือดแดง เราก็ต้องต่อไปตามสภาพอย่าไปยึดติดอยู่กับสภาพใดสภาพหนึ่งให้อยู่กับสภาพปัจจุบันแ่ใจเราไม่ปัหาคือไม่ได้อยู่ปัจจุบันนั่นเองใจเราชอบย้อนอนดีตคิดถึงเว า, าคนเบื่อปัจจุบันชอบฟันถึงอันดีตที่ผ่านมาที่แสนวาน หรือฝันถึงอนาคตที่จะมาต่อไปจนทั้งที่มันไม่ได้อยู่ในวิสัยของเราว่ามันจะเป็นไปตามที่เราฝันไว้แต่สิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้่ะมันดีแสนดีกับกับได้ไม่เห็นเลย คือจะว่าดีก็ไม่เชียงเป็นอย่ว่ามันก็ไม่เลวรายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันไม่เลวรายถ้าใจเราไม่ไปยินดียินร้ายกับเขาที่มันเลวรายเข้าใจเราไปปฏิเสธเขาเราไม่ชอบเขาเราก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเ้วยความอยาก ที nhà nhà ่อยากจะเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามที่เราชอบความทุกของเราก็จะอยู่ตรงที่ใจเราชอบให้เปลี่ยนแปลงให้เปลี่ยนเป็น่างนี้เปลี่ยนไปอย่างนี้หรือหรือไม่เช่นนั้นก็ถ้าเขาเปลี่ยนก็อยากจะให้เขาได้เปลี่ยนอย่างนี้ก็เป็นความทุกข์เหมือนกันเวลาเขาเปลี่ยน ก็ไม่ชอบให้เขาเปลี่ยนเช่นร่างกายไม่ชอบให้เขาแก่ไม่เเจ็บไม่เขาตายแต่เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นธรรมชาติเขาเป็นนักตาคือเขาไม่อยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของของเราเราต้อง ควบคุมใจสอนใจให้ให้นล่งกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะเราสามารถเล่งอยู่ได้กับเหตุการณ์ต่างๆเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆนั้นความจริงแล้วไม่ได้อยู่ไม่ได้เกิดกับใจไม่ได้ไปกระทบกระทะกระทบกทืนกับใจเป็นการ เป็เพียการสัมผัสรับรู้ของใจต่อเหตุการณ์ต่างๆแต่ใจหลงไปคิดว่าอยู่ในเหตุการณ์ใจคิดว่าใจเป็นร่างกายซึ่งเป็นตัวแทนของใจที่อยู่ในเหตุการณ์แต่ตัวแทนนั้นไม่ได้เป็นใจหรือร่างกายไม่ได้เป็นใจ อะไรเกิดขึ้นกับร่างกายก็ไม่ได้เกิดกับใจแต่ใจขาดความรู้ที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องขาดวมาธิที่ไม่เห็นว่ า, ารูปามานัตตาคือร่างกายไม่ใช่ไม่ใช่ใจใจกลับไปเห็นว่าร่างกายเป็นใจเป็นตน้น พอร่างกายเป็นอะไรไปใจก็คิดว่าเป็นไปด้ว hmm. ยแต่ถ้าเรามาฝึกสอนใจให้นิ่งให้สงบ mm hmm. แล้วเวลาเกิดเหตุการณ์อะไ ร, รตา่างๆถ้าสามารถรักษาความนิ่งความสงบไว้ได้ใจก็จะไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ไปกับ เหตการต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายที่ปลอดภัยที่สุดข้าใจก็คือที่ความนิ่นของใจนที่ความสงบของใจสงบนี้ก็มี2ระดับด้วยกันสงบด้วยระดับของสมาธิซึ่งเป็นการสงบชั่วคราว และการสงบด้วยปัญญาซึ่งเป็นการสงบอย่างถาวรในเบ้ต้นต้ององาษัยความสงบของสมาธิต่อเพราะว่าการที่จะทำให้สงบด้วยปัญญานั้นปัญญาจำเป็นจะต้องมีสมาธิเป็นเครื่องสลับสนุ่ คือถ้าจิตย่างไม่สงบก็เป็นเหมือนน้ำที่ยังคุ่นอยู่น้ำขุ่นนี่จะมองไม่เห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในน้ำแต่ถ้าน้ำใสสงบก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในน้าดังนั้นเราต้องทำให้น้ำให้ใสให้เล่นให้สงบก่อนทำ เช่นสมัยก่อนน้ำเราใช้ล้วใช้น้ำตักมาจากแม่น้ำลำคองคเอามาเทใส่ตู้แล้วเราก็เอาสารส่มมาแกว่นเพื่อให้ให้ตกตะกอนให้สิ่งที่ที่ที่ทะสงอยู่ในน้ำพวกที่ฝุ่ทนที่มีต่างๆมั น, ต, น, นตกตะกอนลงไปแยกออกจากน้ำไปน้ำก็จะใส พอนำสายเราก็จะเห็นเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในเราใจของเราเวลาที่ไม่สงบมันขุ่นมัวด้วยอารมณ์ต่างๆด้วยอคติต่างๆเช่นรักชังกลัวหลงแต่เวลาทำใจให้สงบแล้วอคติเหล่านี้ก็จะตกตะกอนลงไปจะแยกออกจาก ตัวนะตัวจิตจะทำให้จิตเป็นจิตที่มีหลักมีเกณฑนเหตุมีผลสามารถมองความจริงได้เหมือนกับแม่นตาที่ได้รับการเช็ดให้สายตาเวลามองผ่านแม่นตาก็จะเห็นตามความเป็นจริงแต่ถ้กกามมมแม่นตามัว มองไปก็อาจจะเห็นไม่ตรงความจะมองไม่เห็นตามความเป็นจริงเห็นสุนัขเป็นแววไปก็ได้ฉันในใจที่มีอากาิสีมีรักมีชังมีกลัวมีโลรอยู่จะไม่สามารถมองเห็นความจริงของสภาวะ ท, าทั้งหลายได้ว่าเป็นใจลวัว่าไม่เที่ยว มีการเกิดแล้วต้องมีการเหตเป็นธรรมดาว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขอย่างเดียวมีสุขก็เป็นทพียงสุขเล็น้อยสิสุขที่ไม่ใช่เป็นสุขแท้สุขเทียงแต่ความทุกข์นี้เป็นทุกข์แท้มันไม่ทุกข์เทียนแลนน้วก็ไม่ไม่เห็นหนาาตาคือไม่สามาถแต่ควบคุมกับทาการ ให้เขาเป็นายตามความต้องการทองใจไนดะ้นี่คือสิ่งที่ใจที่ไม่มีสมาธิจะไม่สามารถมองเห็นได้เหมือนกับแว่นตาที่ไม่ได้รับการเาช็ดให้สสะอาดถ้าแว่นตาหัวแว่นตาฝ้าหรือเวลาเราแว่นตาถูกอายน้ำมา ม า, มาเคลือบจะมองเห็นลางๆจะไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่นะอคติสี่ก็จะทําให้ได้เห็นใจล้วไม่เห็นอนิจจ์ความไม่เทียงได้เห็นว่าเป็นทุกข์ไม่เห็นว่าไม่สามารถควบคุมบังครับเขาได้เช่นเวลาเราเรารักสิ่งอย่างสิ่งได้เรื่องบุคลคลหนึงบุคคลใด เราจะไม่ยอมมองว่าเขาไม่เที่ยงเราจะไม่ยอมคิดว่าเขาจะต้องจากไปเขาจะต้องเสื่อเขาจะต้องเปลี่ยนไปเราจะไม่ยอมมองว่าเขาจะให้ความทุกข์กับเราเราจะไม่ยอมมองไม่เห็นว่าเขาเราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับหรือรักษาเขาให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้เพราะมีอคติ ในความขุ่นบัวมาครอบงำจิตใจความขุ่นบัวนี้ก็คือความหลงนั่นเองทำให้เกิดอคติขึ้นมาความหลงคือความขุ่นบัวของใจไม่ใสสะอาดจึงทำให้สามารถเห็นความจริงได้ทำให้เห็นเป็นเป็นตรงกันข้ามกับความจริงเลยเกิดอคติคือความรักความเฉง ความตัวขึ้นมาก่นกลัวนี่ก็คือเราไม่เห็นว่าร่างกายเรานี่เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็กลัวตายกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายกันอ่าแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่เราเราก็จะ ปล่อยวางความแก่ความเจ็บความตายได้การที่จะเห็นได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนเวลาจิตสงบเนี่จิตก็จะปล่อยวางอุปาทานความยึดติดในร่างกายชั่วข้าวจิตสงบมีความสุขไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเ่นเวลาจ็บไข้เร่ยตัว ้าเข้าสมาธิเป็นพอจิตสมบแล้วจะได้รู้สึกเดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายในเวลานังสมาธิไปแล้วเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาตามร่างกายนั้วเราสามารถดึงใจให้เข้าสู่ควาสมสงบได้ด้วยการบริการพุทโธพุทโธพอจิตรวมรวเข้าสู่ควาสมสงบแล้ว ก็จะหนึ่งไม่นับรู้อาการเจ็บปวดเลยอาการเจ็บปวดนั้นหายไปหรือสองยังรับรู้อยู่ว่ามีอาการเจ็บปวดแต่ใจไม่ได้ไปเจ็บปวดไปกับความเจ็บปวดของร่างกายใจเป็นเหมือนตอนที่ร่างกายไม่เจ็บปวดเฉยๆอย่างไรตอนนั้นก็กลับมาเฉยๆตอนที้ได้ตอนที่ ยังมีอาการเจ็บมันเือนี่คือพลังของสมาธิหรืออนิสงค์ของสมาธิจะทำให้จิตวลยวางอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราได้วล่วางเวทนาได้ปล่วางความอยากให้เวทนา ที่เจ็บนี้หายไปเรื่องปล่อยวางความอยากที่จะลุกหรือเปลี่ยนอุดยาปวดของร่างกายเพื่อผ่อนคายอาการเจ็บปวดของร่างกาย <c oughs> ผู้ที่สมาธินี้ยิ่งสามารถอยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายได้ <c oughs> ไม่ต้องรับประทานยากแก้ปวดก็ได้ นี่คือวิธีหนึ่งสำหรับการที่เราจะาปล่อยวางหรือเห็นความจริงของสภาวะารรทั้งหลายเช่นร่างกายของเราว่าไม่ใช่ตัวเราขณะที่จิตสงบจิตกับร่างกายแยกออกจากกันชั่วคราวก็จะ รู้ว่าออกเป็นคนละคนกันทีนี้ถ้าร่างกายเป็นอะไรก็รู้ว่าใจไม่ได้เป็นอะไรกันด้วยแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะทําใจให้ปล่อยวางได้หลังจากออกจากสมาธิมาแล้วพอออกจากสมาธิมาใจกับกายก็จะโย ม, มตัวกันเป็นหนึ่งแทนที่จะแยกเป็นสอง ก็จะรวมกันเข้าเป็นหนึ่งแล้วถ้าไม่ใช้ปัญญาคอยสอนใจใจก็จะกลับใจก็จะถูกความโหงที่ยังไม่ได้รับการทำลายอย่างถาวรกลับมาทำหน้าที่เราให้คิดว่าร่างกายเป็ น, ปนใจเพราะนั้นก็ต้องใช้ปัญญาคอยสอนใจเตือนใจเรื่อยๆว่า ร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงธาตุสี่นน้านลมไฟร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บ ต, ต้องตายไปเป็นธรรมดาร่างกายนี้เป็นกองทุกข์ไม่ใช่เป็นกองสุขถ้าไปยึดไปติด ถ, ถ้าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เช่นอยากไม่ให้เขาแก่ไม่ให้เขาเจ็บไม่ให้เขาตายใจยก็จะต้อง ทุกทรมารใจขึ้นมาทันทีนี่เป็นหน้าที่ของปัญญาหลังจากที่ออกจากสมาธิแล้ว <c oughs> การเรินปัญญาจะเจรินได้ก็ต้องมีสมาธิคือออกมีสมาธิแล้วออกจากสมาธิมาแล้วแต่จะไม่เจรินไม่พิจารณาตามที่จิตอยู่ในสมาธิตามที่จิตสงบเน่งอยู่เพราะนั้นปล่อยให้จิตพักให้นานที่สุด พราะการพักของเจตนี้ก็เป็นการกดเลือดตัดกําลังของความหลงตัดกําลังของอัคติคือรักจงกลลังกลัวหลงพอออกจากสมาธิมาเนี้กําลังของอัคติทั้งสี่นี้จะจะไม่มีมากตอนนั้นถ้าจเจริญปัญญาพิจารณาก็จะไม่มีอารมณ์ โหดดู <c oughs> ไม่มีอคติต่างๆมาลบโกนใจต่างกับผู้ที่ไม่มีสมาธินี้จะไม่สามารถพิจารณาความจริงของร่างกายได้ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเจ้าหนึ่งจะมีอคติคอยต่อต้านคือความชังความไม่ชอบความแก่ความเจ็บความตายไม่เชื่อเรา ถามตัวเองหรือว่าวันหนึ่งต้องเราได้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายสักกี่ครั้งกันเราไม่เคยคิดถึงวันนี้เพราะเราไม่ชอบคิดถึงเรื่องราวเหนี้พราคิดแล้วมันเกิดอารมณ์กรธโผ่ ข, ขึ้นมาทําให้เหมือนกันกบว่าพ้อแทบเบือนได้แล้วรู้จะอยู่ไปทำไมไม่จะต้องไม่จะต้องตายไปมันจะคิดอย่างนี้ นั่นจะไีบเป็นผลงานของอกติคือความรักความชางความกลัวความหลงจะสร้างอารมณ์เหล่านี้ขึ้นมาเพราะเราถึงไม่ค่อยมีปัญญากันไม่เห็นตายรักกันไม่เห็นการเกิดแก่เจ็บตายไม่เห็นความทุกข์ไม่เห็นอนัตตาความที่เราไม่สามารถไปสั่งการสิ่งต่าง เช่นร่างการให้เป็นอายา่างความต้องการของเราได้เสมอไปนี่คือความแตกต่างระหว่างการมีสมาธิและการไม่มีสมาธิพอมีสมาธิแล้วพอออกจากสมาธิเราต้องกำกับความคิดของเราให้คิดไปทาำไปรับเลยถ้าเราไม่คิดเราก็จะไม่ได้เจอเลยปัญญา เราก็จะติดอยู่ในขั้นสมาธิที่กขาเรียกว่าติดสมาธิกันก็ติดอย่างนี้เหมือถึงว่านั่งสมาธิอย่างเดียวพอออกจากสมาธิก็ไม่เจริญปัญญาไม่พิจารณาไปนะไปทําภารกิจต่างๆตามปกติมีภารกิจอะไรก็ทำไปแล้วพอถึงเวลายล่างสมาธิก็กลับมาย่งางให อย่างนี้ก็จะไม่จเจริญขึ้นสูข่ขั้นขั้นปัญญาได้ขั้นสมาธินี้ยังเป็นขั้นโลกียะอยู่คือผลที่ได้จากสมาธินี้สามารถเสื่อมได้ถ้าตายไปถ้าไปเกิดไปชั้นโคลงนี้ก็จะเสื่อมลงมาลงมาชั้นเทพกลางระดัแบบแล้ว ก, กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แต่ถ้าได้ขึ้นสู่ขั้นของปัญญาแล้วซึ่งมีอยู่สี่ขั้นคืออริยมรรคผลสี่ขั้นคือขั้นโสดามันสกิดานิยานาคาณิและอาหันต์สี่ขั้นนี้ถ้าได้ขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วจะไม่เสื่อมลงมาถ้าได้มายุเป็นโสดามันก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นบุตรชน ถ้าได้ขั้นสกิยาคารีก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นโสดาบันถ้าได้ขั้นอนยาคารีก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นสกิยาคารีถ้าได้ขั้นอวมหันย้กก็จะไม่เสื่อมลงมามีเป็นขั้นของปัญญาซึ่งมีในมีเพียงในพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนขั้นปรรัญญาศาสนาอื่นๆที่ ผ่านมาในอดีตหรืในปัจจุบันนี้ไม่มีความรู้ความสามารถที่จะสอนขั้นปัญญาได้เพราะไม่มีไม่มีความสามารถที่จะเห็นอนัตาว่าจาักส่วนทั้งหลายนั่นเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนมีเ พ, เพียงพระพุทธเจ้าเพียพระอเดียวเทนั้นที่จะมีความสามารถ ที่จะมองเห็นสัพเพตมาอนุตการได้ด้นตอนที่พระพุเจ้าสมบัติถึงจะสามารถเรียนจากผู้อื่นได้คือระดับสมาธิคุณบาอาจารของพระองค์ท่านสองลูกที่ส่งสอนท่านท่านรูปประชามและอารูปประชามแต่ถ้าไม่รู้จากปัญญาคือโกุตตะรธรรมไม่รู้อนุตตา รู้ว่ามีอนิจจ์รู้ว่ามีทุกข์นะไม่รู้ว่ามีอนัตตาอยู่ในอยู่ในสภาวะธรรมจึงพยายามที่จะไปควบคุมบางรับสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความอยากของของของอคติของความเหวีน่นสิ่งที่ไม่เที่ยงก็อยากจะให้มันเที่ยง แม้แต่สมัยปัจจุบันนี้มนุษย์หลาดพยายพยายามคิดค้นคว้ า, วาหาอยู่หายาหาวิธีรักษาโรคภายไข้เจ็บเพื่อไม่ให้ร่างกายนี้ตายหายาวิเศษมาให้รักประทานเพื่อให้ราการนี้อยู่ไปตลอดนี่นก็เป็นผล ง, งานของความหลงความที่ไม่เห็นว่ามันเป็นอนัตตาเราไปไม่สามารถที่จะเป็น จัดการบังคับให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้ทุกอย่างในเรื่องนี้มีเกิดต้องมีจบไปเป็นธรรมดาที่ไม่เห็นกันก็เลยทุกข์กันแลนวแทนที่จะมาแก้ปัญหาที่ใจที่เป็นต้นเหตุคือความหลงที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจกันก็ไปแก้ที่จิตใไปแก้ที่ร่างกายด้วยการผลิต สินค้าต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆอาหารต่างๆยูยาต่างๆมาเพื่อที่จะทำให้ร่างกายนี้ไม่ให้ตายให้ได้เพราะที่ว่าถ้าร่างกายไม่ตายแล้วตนจะได้ไม่ทุกนั่นเองเพราะไม่มีการอยากตายไม่มีการอยากเก็บให้ไม่ป่วยแต่หารู้ไหมว่า นั่นไม่ใช่ที่หลักความทุกข์เพราะความทุกข์ไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนัถ้ากใดยังมีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วสมมติว่าสมมติว่าเช่นว่าคงจะไม่จบการจริงสมมติว่าสามารถผลิตยา หรือกรรมหรือวิธีทำให้ร่างกาย น, นี้ไม่ตายได้มันก็ยังหนีความพ้นหรือพ้นจากความทุกข์ไม่ได้เพราะมันถึงเวลาอยากจะตายขึ้นมาถ้ยอยากจะตายก็ท่าตัวตายไม่ได้เพราะมันไม่อยากตายเพราะใจของมนุษย์เรานี้ก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมบางทีก็อยากอยู่บางทีก็อยากตายเวลาอยากตายนี้ไม่ตายก็ทุกข์ทางมืนใจเป็นอย่างนี้น เน้ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การการแก่การเจ็บการตายแต่อยู่ที่ความอยากที่เรียกว่าภาวะปัญหาความอยากอ ย, กอยู่แล้อ ว, วิภาวะปัตตหาความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือความอยากตายก็เป็นวิภาว ต, ตัญหาถ้าถ้าร่างกายยังไม่ตายก็อยากจะตายนี้มันก็เป็นความทุกข์ขร้าเช่นคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเรื้อโรคที่ รักษาไม่หายเป็นอารมณ์พื่อกามภาพนี้สามารถทําอะไรตามความอยากของใจได้ก็เกิดวิภวะปัญหาอยากจะเข้าวตัวตายอยากจะตายเพราะฉะนั้นก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาดังนั้นการที่จะไปแก้ปัญหาที่ป่าเหุคือที่ร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาแก้ได้มันก็ยังเป็นทุกข์อยู่ได้สมัยนีนนน้เราก็มีเครื่อง เครื่องไม้เครื่องมืแต่งแต่ามามา่ม า, าสเสนอเยียวยาปัญหาหเราได้แต่พอเราได้มันมาแนละ้วเราเบื่อขึ้นมาเราก็อยากจะทาํางานอีกถ้าทาํางานมันนะก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกเช่เราได้ของอะไรมาแล้วใช้ไปแล้วมันเก่าเราตอนที่ได้มามันใหม่เราก็ชอบเราก็รักมันแต่พอใช้ไปนงานเข้าแล้วก็เกิดเบื่อขึ้นมา ก็ไม่อยากจะเห็นหน้ามันอยากจะทิ้นมันเช่นถ้ามีภรรยาเป็นต้นเวลาได้มาใหม่ๆก็รักกันดีชอบกันดีเราอยู่กันเป็นนางนข้าว่ามันเป็นของเก่าน่าเบื่อแล้วทีนี้ก็อยากจะทิ้งกันนเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่สิ่งต่างๆภายนอกสิ่งต่างๆภายนอกเขาจะเปลี่ยนไปอย่างไรท่าใจเรา สามา่าที่นิ่งทําใจให้เนิ่งไม่ให้เกิดความอยากคือเกิดภาวะตันหาหรือม่ภาวะตันหาหรือการวัตันหาได้ก็จะไม่เป็นปัญหากับกับใจเลยตะหนาวก็อยู่กับมันได้จะร้อนก็อยู่กับมันได้น้ำจะท่วมก็อยู่กับมันได้แล้แต่ร่างกายตายไปก็อยู่ได้ใจเข้าสมาธิไปมันก็เหมือนกับว่า ที่ร่างกายให้ตายและชั่วคราวอยนะู่แล้วังนั้นคนที่เข้าสมาธิเป็นก็จะรู้ว่าความตายนี้ไม่เป็นปัญหากับใจเลยนี่คือประโยชน์ของของการตฏิบัติทางเพียงข่านสมาธินี้ก็จะเห็นเห็นคุณประโยชน์ว่าอยู่แล้วเป็นที่พึ่งทางใจได้ชั่วคราวเวลามีความทุกข์ ใจก็เข้าไปในสมาธิความทุกใจก็จะหายไปไม้ว่าจะเป็นพเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเ<ม>บื่อหน่ายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นกับคนนี้เราก็ไปเติดวิเวทไปเข้าสมาธิของเราเสียปล่อยให้สิ่งที่เราเบื่อหน่ายก็เป็นใจของเขาไม่ต้องไปยึดกับเขาพอใจเราสงบแล้ ว, เ, วเราก็เล่งเดือดร้อครับ กับสิ่งต่างๆที่เราดีปัญหาด้วยแต่ถ้าเราต้องกลับไปเราถ้าเราอยากจะอยู่กับสิงต่างๆได้โดยไม่เกิดความทุกข์ยา mm hmm. เราก็ต้องใช้ปัญญา mm hmm. เราต้องพิจารณาว่าสิ่งต่างๆนี้ไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเรา mm hmm. ที่จะไปควบคุมให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ดัง mm hmm. นั้นอยากป็นอยา กับสิ่งต่างๆอย่ากเป็นอยา ก, ยา ก, ยากให้เขาเป็นอย่างนั้นให้เขาเป็นอย่างนี้นเขาเป็นอย่างนั้นก็พอใจกับเขาน้านจะไม่เหบืออตอนอากาศหนาว ก, ก, ก, ก, ก็พอใจกับอากาศหนาวอากาศร้อนก็พอใจกับอากาศร้อนอยู่กับเขาไปอยู่ได้ใจรับเข้าใจแั่เพียงู้รับรู้ท่านั้นเองใจไม่เล่นหนึ่ในเหตุการณ์ ร่างกายเป็นผู้ที่ไปอยู่ในเหตุการณ์ผู้ที่จะรับเคราะห์ก็คือร่างกายผู้ที่จะรับประโยชน์ก็คือร่างกายช่เวลาัรับประทานอาหารใจนี้ได้รับประทานอาหารไปกับร่างกายร่างกายเป็นผู้ได้รับอาหารใจนี้เป็นเพ่องผู้ดูร่างกายรับประทานอาหารแต่ใจกลับไป วุ่นายมากกว่า <oatmeal> ร nah, ่างกายร่างกายนี่สามารถรับประทานอาหารได้ทุกรูปแบบทุกชนิดแต่ใจนี้รับประทานไม่ได้ถ้าท่านผู้ใจไม่ได้เป็นผู้รับประทานแต่ถ้าใจรู้จักเนิ่งเฉยสัางถึงเวลารับประทานก็ให้รับปล่อยให้ร่างกายเขารับประทานไปหรืรับประทานยามีอะไรก็ตัดเข้าฝากไปเคี้ยวไปกลืนไป ขอใหมม้มีอาหารที่จาเป็นต่อการเยยวยายให้ร่างกายนี้อยู่ไปได้และเป็นอาหารที่สะอาดไม่เป็นพิษ เ, เป็นภัยเป็นโทษก็ใช้ได้ใจมีปัญญาใจ ย, ยาออกจากร่างกายเป็นการรับประทานอาหารจะเป็นการรับประทานเหมือนรับประทานยาจะไม่ได้ไปกังวลกับสีสนันกับรูปร่างของยาเลย หมอให้ยาชนิดไหนารับปทานก็รับประทานได้อาหารก็เป็นยาอย่างหนึ่งเหมือกันเพื่อที่จะเอาไปเยียวยาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย้องการโรคกายแย่งจิตให้ให้ร่างกายอยู่ได้อย่างปกติแต่ถ้าใจมีอากติมีความหนุนคล้องอย่างก็จะคิดว่าตนเองเป็นผู้รับประทานอาหารแล้ว มีอัตติความชอบความชังอยู่ในใจก็จะเลือกอาหารอาหารชนิดนี้รับประทานได้อาหารชนิดนี้รับประทานไม่ได้แล้วที่ใจไม่ได้รับประทานแม้แต่คําเดียวเลยผู้ที่รับประทานก็คือร่างกายเหมือนกับคนขับรถที่ไปขับรถจะตามปั๊มปั๊มน้ำมันเพื่อเพื่อเติมน้ำมันบางทีก็เลือกปั๊มเพราะว่าปั๊มนไม่มีของแจก ภาพตามนี้ไม่รถนาคา น, น็อตมันไม่สนใจนะปั้มไหนมันก็ด้านเหมือนกันน้ำมันปั้มไหนมันก็เหมือนกันแต่คนขับนี่มันมันเรื่องมากมันมีรักมีชังมีความอยากอยากจะได้คูตองอยากจะได้ภาพขนหนูอยากจะได้ประตูเทียนทุกคนจะเรียกปั้ม นี่คือความหลงที่ครอบงำใจแต่ถ้าทำใจให้สงบแล้วอความหลงเหล่านี้มันจะถูกจิตยาสงบคือมันจะไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่ถูกตัดกําลังมือไปเพราอที่จะทําให้เราคิดได้ด้วยเหตุด้วยผลได้คิดตามความจริงได้ทําให้เราสามารถมองเห็นความจริงได้ เช่นมองเห็นคนที่เรารักว่าสักวันนี้เขาต้องจากเราไปแล้วเราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ได้ถ้าเวลาไม่สงบจริตไม่สมบงบนึกไม่กล้าคิดถึงเรื่องที่เขาจะจากเราไปเพราะคิดเหมือนกับว่าเป็นการสาบแช่งอย่างนีน้คิดว่าเขาถ้าคิดแล้วเขาจะจากเราไปหรือยวก็จากเราไปจริงๆขึ้นมาก็เลยไม่กล้าคิดพอไม่กล้าคิดเวลาเขาจากขึ้นมาก็ทากําใจไม่ไนดะ้ เราไม่ได้เตรียมตัวเตียมใจรับ ก, กับเหตุการณ์ไว้ก่อนแต่พอมีสมาธิแล้วก็พอมาพิจารณาความจริงันนี้ว่าเขาไม่เที่ยงเขาจะจากเราไปเมื่อไรเราก็ไม่รู้และเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ด้วยเขาเป็นอนัตตาถ้าเราไปอยากแล้วไม่ได้นำใจเราก็จะทุกข์ทรมานใจ มันคือการเห็น่อนักเห็น น, นักที่จังทุกข์กรรมอนัตตาต้องเห็นหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วนอเราพิจารณาสิ่งที่เรายังมีอคติด้วยโดยเฉพาะโดยเฉพาะสิ่งที่เรารักหรือสิ่งที่เราชังก็เหมือนกันเช่นการเช่นการถูกเขาดุด่าว่าเก่าเขาาเ้ารหัสลินทาอันนี้เราไม่ชอบเราชังเราก็เพื่อมาสอนใจว่าเราไปบังคับเัาไม่ได้เหมือนกัน เขาอยากจะด่าเราเราจะไปห้ามเขาได้อย่างไรก็ เ, เหมือนเสียงเสียงนกเสียงการที่เาไปห้ามคขาได้อย่างไร เ, เห็นไหมเสียงนกเสียงกาก็ร้องของมันอยู่นั้นถ้าเราไม่ชอบเราจะไปห้ามเขาได้อย่างไรเราก็ต้องห้ามใจเราทําใจให้เราเฉยเป็นสมาธิเหมือนในขณะที่เราอยู่ในสมาธิทั้ง่างตอนที่ใจไม่เฉยเราก็มีความอยากมันจึงไม่เฉย งั้นถ้าเราตับความอยากได้เสียงเรากร ะ, ะกดับจะพูดอยรางไรกันน่ะจะด่ากระดับจะชมกระดับถ้าคิดอย่างนี้แล้วใจนั้นก็จะสงบเหมือนเดิมจะเลี่ยเหมือนเดิมอันนี้จะเลีงด้วยปัญญาเนื่องจากเห็นสัพเพรามานัตานี้เองเห็นว่าไม่สามารถที่จะไปควบคุมบางการสั่งการให้สิ่งต่ตางๆเป็นไปลายทางความอยากของตนได้ ต่อไปก็จะไม่มีความอยากจะอยู่กับความจริงรณะนี้เป็นอยางไงมีอะไรเกิดขึ้นก็อยู่กับมันไปนนอย่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้สามารถที่จะมีการปฏิบัติต่ตอสิ่งเหล่านั้นใ ห, ให้ดีที่สุดได้เรามีทางเลือกหน้าเราก็ทำไปเช่นถ้าตรงนี้เป็นอันตรายเราก็ เปลี่ยนที่ไปอยู่ที่หนึ่งถ้าไปได้เราก็ไปแต่ถ้าไปไม่ได้ต้องอยู่กับมันก็ต้องอยู่กับมันมันเวลาจะเกิดขึ้นก็ต้องให้มนเกิดขึ้นไปแต่ใจก็จะนิ่เหมือนเดิมนะไม่ว่าจะอยู่หรือจะไปใจก็เท่าเดิมใจก็จะนิ่เหมือนเดิมที่ไปก็ไม่ได้ไปเพื่อใจที่ไปก็ไปเพื่อร่างกายหรือไปเพื่อสร้างสมบัติเข้าของในทางอื่นก็ได้ เวาน้ำท่วมอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปกันแต่ก็ต้องไปแบบนิ่งใจนิ่งไม่รู้สึกเสียอกเสียใจไม่รู้สึกเหยียดนอนอย่างไรอยู่ก็ได้ไปก็ได้แตถ้าไปแล้วดีกว่าก็ไปไปได้ก็ไปถ้าไปไม่ได้ก็อยู่กับมันไปจนกว่าจะอยู่ไม่ได้จิ่งที่อยู่ไม่ได้ก็คือร่าง ก, การไม่ใช่ใจที่อยู่ไม่ได้ พอรา่างกายตายแล้วใจ ก, ก็หมดปัญหากับร่างกายนี้ไปหมดภาระแต่ร่างกายนี้พระพุทธเจ้าสงสัยว่ า, าเป็นภาระาเลยเป็นจากขัมชาเป็นภาระที่หนักอย่างยิ่งที่ต้องคอยดูจิตใจที่ใจต้องมาคอยดูแลรักษาอยู่ตั้งแต่มันเกิดจนถึงวันตายพอไม่มีร่างกายนี้แล้วก็เหมือนกับ ยกของหนักออกจากบ่าไปไม่ต้องแบกมันต่อไประหว่างเดินทางไปไหนมาไหนกับต้องมีแ บ, บสัมกสัมภาระต่างๆครันเดินไปแบบตัวแปดๆนี้อันไหนจะสบายกว่ากันเราเรามีสัมภาระมากเนื่องจากร่างกายของเราเราไม่ได้แบกร่างกายของคนอื่นผองสบมีของภรรยาของลูก ของวิญาณายาของปูยากตายาไม่คอยังไปแบบคอนโดแบบโน้ยินแบบท้ชรเงินจินดาแล้วสมบัติเข้าของเลยทั้ทงๆไม่หนักนมไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เหนื่อยล่องนะซึ่งไปแบบตัวปปล่าไม่ดีแล้วอยู่แบบตัวปปล่าไม่ดีสบายง่าย น, นี่คืออำนาจของความหมนลง แล้วไม่ว่าจะทำทํามากน้อยเพียรย่อยก็ต่ตางถ้าจิตไม่สงบก็จะมักมองไม่เห็นเห็นก็เป็นเหมือนแบบสิบปากว่าไม่เท่าหูตาเห็นเหมือนกับคนเขามาเล่าให้เราฟังว่าสถานที่ตรงนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนีน้เราฟังแล้วเราก็คิดตามไปวาดภาพตามไปอย่างที่กําลังเทียศให้ฟังนี้พวกเราก็วาดภาพตามที่เราเล่าให้ฟังไปแต่ันไม่เห็นกับใจพอเลราทำทามันก็กลับไปแบบนห้นเลย มันมาฟังทั้งหลายคนนะทั้งหล้วก็ยังได่ายิ่งมันยอมขอแสดงว่าจิงไม่สงบจิตไม่เชรวมเลยยังนต้องพยายามทําจิตให้รวมให้ได้การจะทําจิตให้รวมได้ก็ต้องมีสติเป็นตัวคอยดึงใจให้เข้าสู่ความสงบใจถ้าเปรียกก็จะเหมือนลิง ถ้าเราจะจับยิงเข้ากงนี่เราต้องมีเชือกจับหนึ่งถ้าเอาเชื่อกไปท้องคอลิงถูกมัดเหมือนแล้วเราก็เลาะเข้าไปในกงมันถึงจะเท่าไปถ้าไม่เลาะมันเข้าไปมันไม่ยอมเท่ามันก็จะเลื่อนเล่นไปตามเรื่องของมันใจของเราก็ชอบคิดไปเรื่อยๆดวยถ้าเราไม่ควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดมันก็จะคิดไปเรื่อยๆแต่เราท่านสมาธิมันก็ยังคิดอยู่นั่น นั่งดูลงมันก็ยังคิดอย่างนี้คิดอย่องนี้อยู่นั่งพุทโธพุทโธไปมันก็ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้นั่งนี้นั่งไปจนวันตายมันก็ไม่มีวันที่จะสงบได้จับดินเข้ากรงแบนจับเงินก็เข้าเงินได้ถ้าจับด้วยดุจจาววางกาไล่จับดึงอยู่อยู่เรจับมันทำหรือเปล่าถ้าว่าถ้าว่าดึงนี่เร็วแล้วจิตนี่มันเร็วกะดเงจะไม่รู้กี่ร้อยล้านครัแต่ไน้ ในสิ่งเดียวท่านที่เรียนตัวนี้เงินกลัวที่จิตตัวนี้เงินกลัวก็คือสติสติเนี่ยนะเป็นตัวที่จะปรแต่พวกเราไม่ใช้กันเมียของดีเมีอาวินดีกับไม่ใช้กันเพราะรู้สึกว่ามันหนักยิ่งกว่าแบบของต่างๆพอให้พุโทโธพุโธได้สนะักหน่อยเดียวก็ไม่เอานะ่ะไม่ไหวแล้ว อยากจะทําใจให้สงบต้องพุโทโธได้ทั้งวันมองทําพุโทโธทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับแม่ว่าจะทํางานอะไรก็พุโทโธไปถ้าเราไม่มีความจําเป็นที่ต้องคิดเรื่องอื่นก็อยากไปคิดให้คิดแต่คําว่าพุโทโธพุโทโธไปพอลืมตาขึ้นมาก่อนจะลุกขึ้นมาก็พุโทโธเลยวันนี้จะเริ่มต้งที่พุโทโธแล้จะเอาพุโทโธนี้ไปจนกระทั่งถึงเวลาที่กลับมานอนใหม่ ในตอนเีย็นตอน้างแล้วพูดโทรไปทั้งวันเลยตอนนี้เราจะดืงใจไว้ดึงดึงน้อยไม่ให้นําไปวิ่งเพ่นพ่าแล้วพอเวลานั่งสมาธิมันก็จะไม่ไปไหนมันก็จะอยู่คำงานที่เราให้มันทำให้อยู่กับลมมันก็จะอยู่กับลมอยู่กับพูดโธรมันก็อยู่มาแล้วทั้งวันนี้ถ้าอย่างนี้แล้วนั่งห้านาทีสิบนาทีมันก็เข้าไปแล้ง คนบางคนเนี่ยเขานั่งเพียงห้านาทีสีน่นาทีจิตก็ามเนี่ยในประวัติที่หลวงตาเขียนเกี่ยวคนณแม่แก้วกาเหมือนกันคุณแมแก้วนี่เคยเจริญสติมาในชาตนะิก่อนพอหลวงปู่มันสอนว่าให้นั่งสมาธิด้วยการบรยการมษษจิตลมเธอก็ไปลองนั่งอยู่เธอบอกนังน่งเพียงห้านาทีจิตก็ลมเลยนี่ต้องมีสติก่อน ถึงจะมีสมาธิแล้วพอมีสมาธิแล้วก็ต้องสั่งให้เจริญปัญญาต้องคิดไปนทางปัญญาออกมาแล้วก็อย่าปล่อยให้คิดด้วยเปลือยให้มันคิดทางปัญญาคิดใจนะักอริจรังทุกขังอนัตตาเห็นอะไรก็ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้ว ออกไปมันก็จะเป็นธรรมชาติไปมันวองเห็นอะไรมันก็จะปล่อยวางเพราะมันเห็นทุกข์เห็นหน้ารับตายเห็นหน้าริษยามันจะไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวด้วยเพราะสิ่งต่างๆนี้มันมันไม่เป็นไป ต, ตามความอยากของเราความต้องการของเราพอเราเกิดความอยากให้มันเป็นอีกอย่างหนึ่งก็จะเกิดทุกข์ขึ้นมาทุกข์ในอริยสัจสี่ทุกข์ในทุกที่เกิด ภายในใจทุกที่เกิดจากความอยากต่างๆแต่ตถ้ามีปัญญาแล้วก็จะไม่อยากจะ เ, เฉยๆจนกิเจะหลอกให้ไปดื่มแป็กซี่ก็ไม่ไปหไม่จาเป็นปดื่มน้ำาป่าก็าได้ร่างกายมันต้องการน้ำาป่าน้ำอย่างเดียวไม่มีไม่มีน้งตาไม่มีรสชาติก็ก็ไม่เป็นไร ครูบาอาจารยท่านบรรลุนักผลหมพิพานท่านหนึ่งในป่าท่านได้มีเครื่องชื่อยู่นะท่านไม่มีขนมนมนยรับประทานท่านอยู่กับชาวป่าชาวเขาดิ้นบาทวันเดงจะได้อะไรมาได้ข้าวเหนียวหน่อยได้ได้ผักได้น้ำจริงได้พริกอะไรมาจิงหน่อยแต่ใจท่านอยู่อยู่กับสติอยู่กับสมาธิอยู่กับปัญญา ท่านก็เลยไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสประสาทะใจก็เลยไ ม, ม่ผลิตความอยากใจก็เลยไม่มีความทุกข์ทำไมท่านอยู่ใต่าในเําได้ทําไมพวกเราอยู่กันไม่ได้ก็เพราะว่าใจเรายังผลิตการวักการหาอยู่อย่างอยากในรูปเสียงกลิ่นรสพออยากแล้วก็เหมือนคนติดยาเสพติดต้องหาไาให้ได้อยู่ที่ไหนก็ต้องไป อยู่กายแสงไกายก็ต้องไปนี่คืออนิจจังทุกขงังอนัี่ยที่เราต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วถ้าเราไม่พิจารณาเราก็จะไม่เข้าหน้าเราก็จะติดอยู่ที่ขั้นสมาธิแล้วตายไปก็จะจะต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วก็จะ ว่าโอกาสอันาวนี้ตายเพราะกลับมาเกิดครั้งหน้าอาจจะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกต่อไปก็จะไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนเลือกอนัตตาให้เราแต่ถ้าเราเก้าขึ้นสู่ขั้นปัญญาได้และเราเราพิจารณาเห็นตายรักได้ต่อไปตายรักนี้มันเป็นอยู่กับว่าถึงแม้เราตายไป เรากลับมาเกิดใหม่ไม่ได้เจอกับพระพุทธศาสนาเราก็สามารถปฏิบัติทางของเราต่อไปไนดะ้เพราะเรามีศาสนาคือใต้รักนี้มีใจแล้ววจารใ์ของศาสนาก็คือใต้รักนี้เองปัญญาการเห็นได้นิจธรรทุกข์กรรมนักตานี่แหละคือศาสนาที่แท้จริงศาสนาไม่ได้อยู่ที่เจดีย์ไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ไม่ได้อยู่ที่ตั้งสงฆ์องเจ้าไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าแต่อยู่ที่ ปัญญาที่เกิดขึ้นภายในใจของเราที่เรียกว่าทำมาจากสุลวงตาเห็นธรรมก็เห็นตายรักเห็นอ น, นิจจังเห็นทุกขังก็คือเห็นอนิจจสัจสี่เห็นทุกสทังขารไม่โลภเห็นอนัตตาเห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับสั่งการให้มันเดินไปตามความต้องการของเราได้ ถ้าเราได้เข้าสู่ขั้นปัญญาแล้วเราก็จะมีการหลุดพ้นโดยท่าเดียวชาหรือเปลืองเถิแต่ไม่เกินเจ็ดชาเป็นอย่างมากพอได้ขั้นสวนดาวันแล้วก็ไม่เกินจุดชาติพอได้ขั้นสกีดาวางมือแล้วก็ชาเดียวที่จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าได้ขั้นานาคางมือก็สามารถบรรู้ได้ในขั้นนั่นเลนคือในขั้นของโภชไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เพราะพระอนาครารนี่นั้นตัดปัญหาเรื่องร่างกายไปได้หมดแล้ว่อยาวางเรื่องร่างกายได้หมด่อยวางเรื่องกาวะตัณหาได้หมดแล้วเหลือแต่พราวะตัณหาวิภาะวะตัณหาที่ยังยังตับไม่ได้อย่างก็ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องใช้ร่างกายมาเพื่อมาปฏิบัติธรรมต่อไปสามารถปฏิบัติธรรมภายในยจิตได้เพราะปัญหาตอนนี้มันอยู่ในจิตแล้วมันไม่ได้อยู่ที่กายแล้ว การ่าปัญหาปล่างวางเล้นะรูปสิ่งเกิดลงตารู้จมูกพิ้นากายปล่อยวางเลยนะไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้ปัญหาอยู่ที่เวทนาสัญญาสังขารอีกอยงางอยู่ในจิตอยู่ในธรร ม, มาลมันนี้ไม่ต้องมีร่างการไม่ต้องกลัมาเกิดเป็นรูปก็์ก็สามารถที่จ ะ, จะเจริญปัญญาได้ในขณะที่เป็นพรหม พอออกจากฌานออกมาจากรูปฌานหรือ อ, อรูปฌานก็พิจารณาได้พิจารณาความทุกข์ที่ละเอียดที่ยังมีอยูในใจอยู่พิจารณาอนิจจ์ทุกข์คำอนัตตาที่ละเอียดที่ยังมีในใจในใจิตนั้นอยู่พิจารณาไปก็จะเห็นเห็นแล้วก็ปลดวางพอปลอดวางแล้วก็ไม่มีอะไรเลกไม่มีความไม่มีอนิจจ์ทุกข์คำอนัตตาเลยอีกต่อไป ก, ก็หมดก็หมดก็ ก็จบงานธารกิจทางศาสนาก็จบสิ้นไปไม่มีกิจอื่นใจะต้องทำอีกต่อไปเพาะฉะนั้นเวลาได้สมาธิแล้วอย่าหยุดตรงนั้นเพราะว่ามันจะยังไม่ไม่พอมันยังทําให้เรากลับมาเว้นว่าตายเกิดได้อีกเช่นพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้าสามองค์ที่ได้รูปประชามและอารูปประชาม ตอนที่พระพุทธเจ้ทรงตัดสรูปอย่างหนะึ่งนทรงจะประกาศพระธรรมคำสอนก็สงก่งระลึกถึงผู้ที่จะสามารถรับความรู้ความคําสอนจากพระพุทธเจ้าได้อย่างรวดเร็วก็คือต้องผู้ที่มีมีสมาธิแล้วก็นึกถึงท่าอาจารย์สรงรู้แต่ก็ทราบกล่าวว่าได้เสียไปแล้วท่านพระองค์ทรงตัดว่าหน้าเสียดายเพราะภาพอีการอันดีงามที่จะ สามารถตัดพวกชาติได้นี่ก็ต้องกลว่าเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กำมามาปฏิบัติใหม่แล้วก็จะไม่สามารถบรรลุได้ด้วยตนเองถ้าไม่มีบัญญาบารมีพอก็ต้องรอพระพุทธศาสนารอพระพุทธเจ้าที่จะมาสอนเรื่องสักเพ ร, รมาอนัตตาองค์เลยลึก ถ, ถึงพระปัญจวัคคี ที่เคยติดตามพระองค์ก็จะพระปัญจวัคคีย์ก็ได้มีฌานเหมือนกันได้สมาี่เหมือนกันทรงเห็นว่าพระปัญจวัคคีย์นี่จะสามารถเข้าใจสามารถเจริญปัญญาได้อย่างรวดเร็วสามารถบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วจึงล่วงไปหาพระปัญจวัคคีย์แล้วก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งว่าที่เรียกวาธรรมจากขปวะตัญสูตรทรงแสดงอัน อริยสัจสี่มักแปดพอปัญญาพอว่าปัญญากรงธัญะหนึ่งในพระป ja ัญญาพิจารณาตามก็เข้าใจทันทีว่าความทุกข์เกิดจากความอยากอย่ากในสิ่งที่เกิดมาแล้วต้องดับทันกันเลยพิจารณาว่าต้องจับความอยากต้องยอมรับว่าสิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา พอยงางรับความจริงองนนี้ความอยากที่จะไม่ให้ดับก็จะไม่มีอยู่เ่เพราะพอไม่มีความอยากความทุกข์ก็ดับไปนั่นก็บรรลุธรรมขั้นได้อันนี้อำนาจของสมาธิเป็นอย่างนี้เราฟังทมความจริงแล้วผลเดียวเท่านั้นเองก็บรรลุได้เดังนั้น เราต้องเข้าใจหน้าที่ของธรรมต่างๆที่เราศึกษาและปฏิบัติกันอยู่ไม่ว่าทานหรือเสียงหรืสติสมาธิปัญญาธรรมเหล่านี้เป็นธรรมเกี่ยวเนื่องกันต่อเนื่องกันเป็นธรรมที่ ส, ส, สนับสนุนเช่นการทาบุญให้ทานก็เป็นการสนับสนุนให้เกิดมีความเมตตาเพื่อจะได้ไม่คิดที่จะเบียเบียนผู้อื่น ก็จะทำให้การนักษาศิล น, นักษาหน้าอย่างไ่ได้นละเมื่อจิตที่มีศีลก็จะมีความสงบมีความหนักแน่นไม่ว่าวุ่นขุ่นมัวกับการกระทาผิดต่างๆเวลาทาสมาธิเวลาเจริญสติก็จะสามารถทำจิตให้สงบได้อย่างาง่ายได้ตอนมีสมาธิแล้วเวลาฟังฟังธรรมะหรือเวลาพิจารณาธรรมะนะก็จะเห็นตามอย่าง อย่างาาง่ายดายก็จะบรรลุมรควุนขั้นต่างๆได้อย่างง่าย่ายดังนั้นอย่าไปติดอยู่กับทำท่านใดขัานหนึง่งส่วนใหญ่จะให้ติดอยู่ที่ข่านแรกเ น, นี่ยฟองอย่างนี้กับถิ่นกระเทาะมาทุกปีข้าวปาก็ทำมาทุกปีมีงานที่ไหนก็ต้องไปงนงในหมดเรื่องรักษาถิ่เรื่องภาวนาไปติดไม่แน่นี้ไม่ค่อยไปเนี่ยส่วนใหญ่จะติดอยู่แค่ข่านฟองหนึ่ง ฉันประถ ม, มฉันมัธยมฉันมัธยมศึกษาไม่ไม่ไมค่อยกล้าวขึ้นไปเท่าไหร่นี่ก็จะเกือบจะจบหลักสูตรแล้วนะเหลไม่กี่เดือนก็จะครบเจ็ดปีทำ จ, จะหนาวิทยารณ์ล้วก็จะทําไล้ออกแล้วเพราะเรื่องที่ต้างตอบที่ให้คนอื่นเข้ามาเรื่องนันน้น น้ำขอพักเดียวไม่ได้น้ำเราด้วยกันนะทที่มาไม่ได้มากันไม่มาหลังนันคนเราพวกไหนไม่ทักไม่เจอที่ที่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ที่านอาจก็ตามมาเราจไวละเมยดวคนเจอกันเถอะอ้าหตอนนี้ก็มีมาแต่เรมาทยาันมาตอนต้นมาสคนก็มคุยกันที่กติ แล้วต่อมาแล้วตามมาตามมาก็เลยแน่อยหน้ากุติถ้าถามว่าอ่อยังไม่ได้รับแขกที่จะลาเลยเราก็บอกว่าเวลาเริ่มต้นคนมันน้อยก็เลยรับอยู่ตรงที่กุติเพราะสี่คนนั่นเองนี่พอรับไปรับไปก็ทยอยเรีนมาทอยอย่างเรียนสาวาชุดน้องเราชุดที่ชุดที่หนึ่งไปชุดที่สองมาเข้ามาชุดที่สองไปก็ชุดที่สเข้ามาต่อ แล้วแต่เหตุการณ์ถ้ามาพร้อมกันนีไรนี่ตอนนี้ก็ต้องมาลงในวิทยาลัยเพราะถ้าเป็นที่พุทิก็ไม่ที่ก็ไม่ขอมาอนนี้ก็ดีได้อาศัยมิเรื่องของคุณเลี้ยงทำเครื่อง <c oughs> ขอยายเสียงทําให้การฟังฟังได้อย่างสบายถ้าเป็นคณะอื่นมาเขาก็ไม่มีเครื่องขยายเสียงมาจะจะติดตั้งเองก็ไม่อยากจะยุ่งวัน วอามันเป็นทุกข์จิตจังทุกข์กำลังจังไหนก็เลยเล่าทุกข์ก็มันเยอะก็ยังชุกข์ก็ยังอยากทุกอยู่ไม่ได้นองข้ามเขาแต่อย่างน้อยทุกก์แบบนี้สงบเขาก็เป็นการทำบุญเขาบขเขาเขาได้บืมีใครจะเล่าอะไรต่างรึเปล่า มันนี้หน้าเก่าหายไปกลับมาใหม่หลายคนนีอ <outside> ย like, like, ู่ทุกที่คณะของวัดป่าเขาก็จะมาแต่เขามาไม่มามาประมาณยี่สิบคนเราก็เจอครับวันจะไปงานศพของหลวงปู่พิสญเดื พวกเราก็เก่งกับพวกนี้พวกงานต่างๆเนี่ยที่ไปติดวปเว่ยนี้ไม่ค่อยเก่งนะทำให้ยูวไปคนหนึ่งนะดิ่มา <c oughs> มอสองคนอ่ะก็ไปเน่ยตอนน้นเ า, า, าห้าก้าเนี่ยกับพวกเราอะไรเนี่ย ที่งานของเราต้องเป็นทางเดิมกรมที่นั่งสมาธินั่นแหะเป็นที่ทํา ง, งานของเราเป้าหมายของงานของเราก็อยู่ตรงนั้นโวนงานบุญงานกุศลนี่นจะเป็นเป็นก้าบันไดนั่นเองเป็นทางผ่านเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปงานสังคมเนี่ยอไปงานศพนี่ก็ดีกับไปงานกินเลี้ยง ีไปงานศพไปงานบุญนี้เพื่ออะั้นะ ไ, ไปไปจีเนเลี้ยงกันไปเที่ยวกันไปเฮฮาปารี่กั น, นถ้าคนที่ชอบเฮฮาปาซี้เนี่ยอาไปงานศพดีไปงานบุญดีแต่ถ้าพวกที่ภาวนาแล้วไปงานบุญไม่ดีเป็นการเดินถอยหลังทีไรใครอธิบายคำว่า การที่อยู่กัหนึงงอาจารยท่านได้ให้ท่านเหนไปงานศพของครูบาาจารย์ท่านเห็นไหมว่าท่านไม่ออกไปข้างนอกท่านให้ภาวนาอย่างเดียวให้เดิอนอยกรมนันสมาธิโดยท่านไปแทนองเดียวไปในนามของวัดไปในานามของนนของท่าเองางานศพของรวงปูข่ขาวหอวงปู่ฟันหลวงปู่ที่เสียไปตมามไปนั่นเราก็อยู่ที่วัดก็ไม่ได้ไปท่านก็ไปทา่ปทาในไม่ให้ขาดไป ท่าน้เข้าเดินเข้าป่าให้ต้องไปเดินจนคงนั่งสมาธิเพราะนั่งตื่นงานของพระงานของนักปฏิบัตินักบวช น, นักภาวนา <c oughs> แต่สำหรับสาหรับคนที่ยังไม่มีงานนี้ก็ไปก็เป็นประโยชน์ถ้ายังมีงานสังสรรค์มีงานเลี้ยงวนเกิดเลี้ยงอะไรต่างๆนี้ไปงานศพนี้ก็ดีกว่า ได้ดนได้ประโยชน์กว่าคนที่ยังชอบไปเที่ยวตามสถานที่บันเทิตกต่ตางอย่างนี้ควรจะไปงานอย่างนี้ไปงานบีรมีพ้าศาที่ไหนก็ไปมีกฐิที่ไหนก็ไปมีงานศพของครูบาอาจารย์ก็ไปคนพวกนี้ไปได้ประโยชน์ก็ะจะได้ดนได้ฟังได้เห็นได้ยินจังได้เห็นความได้เที่ยงเห็น เห็นคนตายอันเยะเป็นประโยน์แต่สำหรับผู้ที่เห็นแล้วผู้ที่ต้องการที่จะดุดพ้นจากาความทุกข์เนี่ยแล้วต้องไปอยู่ในป่านในเขาไม่ใช่ไปตามงานอย่างนี้นะต้องไปติดิเวอยู่คนเดียวเดินจงคงมนั่งสมาธิจเจริญจัตทำจิตให้สงบแล้วก็พิจารณาปัญญาตามลำดับไป ถ้าไปเติดเรล่อยๆเรายังยังกลับมายุ่งกับงานต่างๆเหล่านี้อันนี้แสดงว่าหลงทางถูกทาหน้าของความหลงเดึงกลับมาต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวอี่ยถอยกลับมาถ้าจะกลับมาก็ต้องเจ็จภารกิจแล้วพอเสร็จภารกิจนั้นที่จะไปกี่งานก็ได้ไม่ไปก็ไดไม่เป็นปัญหาเลย ทำงานงานสําคัญเราเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นนักศึกษาก็ได้ ร, รับสิ่งยาแล้วทีนี้จะไปทํากิจกรรมของทำมหาวิทยาลัยก็ทําได้ไม่เดือนร้อยไม่เป็นปัญหาใหญ่แต่ถ้ายังเรียนไม่จบหรือกาลังเรียนอยู่แล้วงแต่ไปทํากิจกรรมนอกนอกนอกวิชาการแล้วก็ไม่สนใจที่จะเข้าห้องเรียนกลับการอ่านหนังสือ เวลาสอนก็จะสอนไม่ผ่านก็จะไม่ได้รับปริญญาเนี่ยเราต้องรู้จักงานของเราว่าเราอยู่ในขั้นไหนแล้วก็ควรจะทําขั้นนั้นเพื่อที่จะส่งให้เราขึ้นสู่ขั้นต่อไปไม่ใช่ทําอยู่แต่ขั้นนั้นแล้วก็ไม่ยอมขยับขึ้นเลยเรีย น, นต้อนหน่อมาเกือบปีก็ไม่ยอมขึ้นต่อสอนเพราะมันยากกว่าที่ป้อนหน่อยเรียนซ้มันง่าย อย่งได้ก้าวหน้าเพราะเนี่ยหน้าจังได้ก้าวหน้าต้องยอมลาบากเพื่อทำบุญทำทานแล้วต้องข้นต่อไปก็ต้องรักษาศีลให้ได้ต้องย่ารักษาศีลห้ามาประวันพระจะรักษาศีลแปดต่อไปก็เพิ่มศีลแปดให้เพิ่มมากขึ้นแล้วถ้ารักษาศีลแปดก็ต้องภาวนาด้วยถึงจะมีกําลังถ้ารักษาเฉยๆเนี่ยจะรักษายาก เพราะว่าจิตมันดิ้งจิตมันหิวกับรูปเสียงจิตเนาะเขาต้องถ้าภาษาเสียงแต่นี้ต้องภาวนาแต่ไม่จะภาวนาเป็นไม่เป็นก็ต้องทำนะละต้องขัดเนาะต้องเดินตรงคงต้องนั่งสมาธิเตาจะเจริญสติยืนลงคนเขาก็ไม่เคยนั่งไม่เคยตั้งที่นั่งเมื่อเช้านี้ยเขาคนละให้แต่ว่าเขามารับตัวเขาให้ไป ไปเรียนกับทางสถานที่ที่เขามีจัดหลักสูตรให้ไปเรีนยนที่เจวันสิบวันเพราะว่าตอนนี้เขาเรียนรู้ศักวิธีการปฏิบัตินะมันไม่ยากหรอกมันอยู่ที่การเรียนถ้าเราไม่เรียนนะว่ามีทางจะรู้ได้เหมือนพิมพ์เด็เนี่ยถ้าเราไม่หัดเรียนถ้าเราไม่หัดพิมพ์มันก็ไม่มีทางที่จะพิมพได้แต่พอเราหัดพิมพไ ด, ดไ้ได้ใจแน่นอนแล้วเรียนได้กับพิมพได้อย่างพองด้วยการถามว่าเป็นอ้่างไร สมัยก่อนไม่มีผู้หญิงขับรถผู้หญิงไม่กล้าขับหรือไม่เขาไม่ให้ขับเขาไม่ทราบแต่สมัยีผู้หญิงหัดขับแล้วกันหรือไม่ขับมันเป็นมไปหมดนะมันอยู่ที่การเรียนการศึกษาการปฏิบัติถ้าเราไม่ไม่ศึกษาไม่เรียนไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ไปอย่างเราก็เหมือนกันตอนแรกเราก็อ่านเรื่องการนั่งสมาธิอ่านมาตั้งสองสามเดือนก็มีอย่างไม่น่าสักทีจนกระทั่งมันเกิด ความฉุกคิดขึ้นมาว่าทำไมเราไม่นั่งเลยเนี่ยก็เลยวางนังสือแล้วก็นั่งเลยนั่งเลยเรมันทำนั่งเลยมันมันมันเป็นสิ่งที่มันอะไรที่เราไม่เคยทำนี่มันยากมันจะไม่อยากจะทํำการนั่งสมาธิมันยากเพราะใจของเรามันไม่ชอบทำนี่ใจของเรามถูกปฏิบัติังอยู่ตลอดเวลาฝังให้รู้ให้อยากถึงนั้นสิ่งนี้ อยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานเราไม่เคยคิดอยากจะอยู่นิ่งๆเฉยๆเลยเราต้องบังคับเลยถ้ายังไม่เคยนั่งก็กลับไปนั่งคืนท่านใดวันนี้นั่งให้ว่านั่งไปแล้วต่อไปมันก็จะง่ายอย่นั่งบ่อยๆเ่ามันก็จะเกิดความชําชานถ้าไม่ทําอีกสิปีก็ยังไม่ได้ทํา ไม่กลัวแล้วมันน่ากลัวตรงไงนมันแสนจะสุ ข, สขแสนจะสบายเวลาจิตสงบแม่ดีความสุขแสดงจะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบกลับไปกลัวเลยกลับไปชอบความทุกข์ความทุกข์จากรูปเสียงจกี่นวร้อยชอบทุกข์กวามันเยอะเกินร้องผมร้องไห้ก็รลองผมร้องไห้ทาให้รูปเสียงจกี่นวร้อนเนี่ยพอดีเสียงไม่ดีก็เสียใจพอเห็นรูปไม่ดีเห็นเขาแยกเขี่ยวใส่ก็ ไม่สบายใจเราเห็นมันทำไมหลับตาพุทโธพุทโธไม่ดีกว่าใครเขจะแยกเที่ยวกเรื่องของใช่ไหมใครเขาจะด่าก็เรื่องของเราพุทโธพุทโธเราไปทําใจสงบรู้สนจะสบายความหลงมันหลอกให้เราไปเป็นเหมือนเงานเมาเลี้ยงเข้ากลองไฟ แมงมามันมเห็นแสงสวางส่างชอบแสงสว่างแต่ไม่รู้ว่าแสงสว่างแม้มันร้อนพวกเราชอบรู้สึกกินรสแต่เราไม่รู้ว่ามันทุกข์กันยังต้องคอยทาตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนอยู่สิบแปดนี่ก็เป็นการดึงให้พวกเราออกจากกองไฟ อย hm ่าวิ่งเข้าไปพร <Ms plural issions> ะเจ้าบอกว่าอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายศีลก็สามก็ให้ถือเป็นอรรมัจจเรียอย่าไปร่วมหลับนอนหาความสุขกับการหลับนอนกับผู้อื่นอย่าไปหาความสุขจากการรับประทานอาหารแบบไม่มีเวลาล่ะเวลาลพอประมาณให้มีเวลาเวลาคือหลังจากไม่รับประทานหลังจากเข้มันไปแล้วไม่หาความสุขจาก เปลี่ยนบรรเทาต่างๆไม่ดูไม่ฟังน้องลาทำเพลงไม่แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าตาฝาแต่งผมใช้น้าผมน้ำหอมต่างๆอันนี้ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความทุกข์เสียมากกว่าแล้วก็ไม่ให้หลับนอนมึนฟนหนาๆไม่เอาความสุขไม่สุขกับการหลับนอนเสียเวลา ให้นอนบนบนพื้นไม้พื้นแข็งแล้วก็ปูเสื่อหรืปรูผ้าถ้านอนแบบนี้นจะนอนไม่นานพอนร่างกายได้ ร, กกรับการพักผ่อนพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากจะนอนต่อพอพื้นบนแข็งนอนไม่สบายหรืถ้าลูกหนานี่พอมตื่นขึ้นมาแล้วมันยังไม่อยากลุกเพราะมันนิ่ง ม, มันสบายก็หลับต่ออีกรอบหรือเวลาภาวนาไปนลาชั่วโมง ชีวิตเราสร้างลงทุกวันเนี่ยเวลานอนลงไปทุกวันถ้ามมาหมดไปกับการหลับนอนเราได้อะไรเราก็ไม่ต่างจากสุกรอิ่มหนี้พียมันแต่สุกรมันดีกว่าเราเนื้อ ม, มันมีราคาเวลาตายมันมันยังขายได้หาเลีเ้ยงมาได้ถหาเงินมาได้แต่ร่างกายเราไม่มีการซื้อนะไม่ซื้ อ, อยังต้องเสียเงินเผาเสียเงินชาชนะ ก, กินย ถ้าเปเรี้ยงดูหมดทำไมเอามาทำประโยชน์ด้ยเอามาทำประโยชน์ให้กับจิตใจด้วยการเดินโยม น, นั่งสมาธิภาวนาหนึ่ห่อยบที่ท่านจารย์บอกว่าปายปวลาบนนี้มีราคารจริงไม่เหมือนน้อห ม, มูหรือมาก็ไม่รู้จะพคดยทำไมนะมันไม่มีราคารจริง ใช่ไหนมีคนลังเกียจได้ทำไหมใจแล้วเสียงเนงนเขาเสียเ ง, <อ>งิงคนก็ยังรังเกียจอีกพวกสื่อกรนวกกายเนี่ยตายแล้วคนไล่แย่งกันแย่งกันก็มครูบาจารย์นะที่คนแย่งศพคูบาอาจารืมจริงมันก็เหมือนการท่าศีลทำแย่งกันแต่ทำไมไม่รู้บูดเอา มีมีมีการพัฒนาการตั้งแต่เริ่มต้นมาเมื่อ6ปีไปแล้วเกิดเปีปแล้วถ้าประเมินผลมีมีการเปลี่ยนใจบ้างหรือเปล่าก็มีมันมัสร้างนิสัยใช่ได้อย่าตงต้องทําทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็สร้างนิสัยขึ้นมาแต่ทามากทำน้อยก็อีกแตก็แสดงว่าเปลี่ยนเป็นคนะคนแลน้วนะ เร้่องเหมือนเงินเรียงนเงนถ้าจะวัดด้วยเปอร์ซ็นตนี่เปลี่ยนไปได้กี่เปอร์เซ็นตถึงจ้าสิบเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่ว่าไอ้ตรง1อยนี่มันคืออะไรท่านผู้ชร้อยก็คือหมวใช่ไ บทีเป็นต่จรรไม่ไ้วอยตนน้ำท่วมเลยรู้ว่าสอบตกแรับแต่ว่ามันดีขึ้นนิดหนึ่งคือคือพอน้ำท่วมแล้วก็ก็ไม่รู้โกรธอะไรโกรธเป็นหมดโกรธ น่นโกรธนี่โกรธคนณไปหมดมาเมือโกรธหมดแต่ว่าคือถ้าเป็นสมัยก่อนพอโกรธตอนตอนที่ยังไม่เคยมากราบเองอาจารย์โกรธแล้วมันก็เพลินกับโกรธมันก็จะยิ่งโกรธไปเลยตอนนี้ก็รู้ว่าเออมันโกรธแล้วก็รู้ว่าโกรธอะไรเนี่ยไม่เห็นจะมีเลือกให้โกรธแต่ว่ามันก็ยังอยากจะเพลินอยู่ดี๋ยวก็อาจารย์แต่ว่าก็ตัดมันว่านี่กําลังเริ่มเพลินกับความโกรธมันก็จะวนวนวนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าก็พยายามจะ นั่งสมาธิอะไรแต่ว่ามันไม่มันไม่สบายเหมือนตอนที่ไม่มีเหตุนะคะคือเราติดเราติดอยู่กับสภาพเดิไมไหมเราเคยทําอะไรเป็นปกติพอเราไม่ได้ทําแล้วเราก็เกิดอาการหุดหงิดขึ้นมาเราไม่ปรับใจเราให้เข้ากับสภาพใหม่ที่เกิดขึ้นอืมันก็เลยเกิดกาก้หงุดหงิดขึ้นมาเราไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะวิเคราะห์ปัญหาของเราได้เราก็เลยพ่านไปเอง แต่ถ้าเราวิเคราะห์ว่าอ๋าา อ, นนอไไตอนนี้เหตุการณ์มันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเราไปไหนมาไหนสะดวกสบายตอนนี้ฝันยากเป็นลำบากมันก็เลยทําให้เกิดอยากจะให้มันกลับไปในสภาพเดิมพอกลับไปไม่ได้มันก็เลยหมุนหมุนยังขันใจขึ้น ม, มถ้าเราเป็นนักภาวนานเป็นเราก็เอาตอนนี้ไปไม่ได้ก็นั่งสมาธิวนไปที่บ้านนันึงไปไหนไม่ได้ก็นั่งสมาธิไป จิตสงบแล้วต้องมีความสุขอาจจะได้กำไรจิต ไ, ได้สร้างบารมีเนี่ยนะถ้าเราถ้าไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เราก็จะไม่ได้นั่งสมาธิเราก็จะออกไปทำภารกิจไปทําอะไรต่างๆที่เราเคยทําอยู่พอตอนนี้ง่วงที่เราออกไปก้าง่วงไม่ได้ก็ อ, อ, ยอยู่บ้านอยู่บ้านก็ทําอะไรไม่ได้ก็นั่งสมาธิไปพอนั่งสมาธิไปจิตสงหบว่าพอได้กำไรนะเราไม่ทันที่เลย เราไม่ทำความเดียวไม่คิดอย่างนี้กันคิดแต่อยากจะออกอย่างเดียวอยากจะไปอย่างเดียวอยากจะทําอย่างเดียวก็ น, นั่งคิดหาวิธีอย่างต่างบางคนพยายามเสียค่าเราเือค่ารถเนี่ยออกไปข้างนอกทีเสียไปหลายน้อยบาทก็ยินน่งหมดอิจใจอยอมทานต้องมาเสียเงินเพิ่มแทนที่จะอยู่เฉยๆ เ, เ, เงินก็ไม่เสียอยู่บ้านเฉยๆนั่งสนทนาที ก, การก็สบาย ใจก็สบายกับทําไม่ได้เพราะวาความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นราอยากจะไปที่นั่นที่นี่อยากจะทํานั่นทำรู่นมันก็เลยพอทำไม่ได้ก็เกิดความหงุดหงิดใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาไม่ความไม่สบายใจคือส <c oughs> ภาพความเปลี่ยนแปลงมันก็เปรียบเสมือนสนามสอบนึกนะเนี้ยพอเราเข้าไปแล้วมันผ่านไม่ผ่าน เราเราพยายามรักษาสถานะสภาพของเราอยู่เรื่อยๆเราเราติมอยู่กับสภาพเดิมเดิมเวะลาถ้ามาันเรรปน ล, ลี่ยนว่าเราปรับได้เราแก้ได้เราแก้เช่นถ้าม้นน้อยมากถ้าเรามีเงินไปซื้อเครื่องปรับากาศมาเราใช้ปรับอากาศมาแทนที่เราจะปรับที่ใจเราให้รับปรับสภาพที่เปลี่ยนไปเราไม่ยอมปรับที่ใจเราเราพยายามไปปรับภายนอกถ<ด>้่น้ําท่วมก็รีบไปหาเครื่องสูบน้ำมาสูบ เสียเงินเสียน้ำมันปลยให้มันแห้งเองก็ได้เดี๋ยวถึงเวลามันก็แห้งมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนแม้แต่น้ำทงมันก็ไม่น็มันก็ไม่ถาวรที่มันเป็นชั่วยาดอนำเดี๋ยวก็แห้งเราไม่ต้องไปเหนยสูบมันให้เหนื่อยอยู่เฉยสบายไม่อยุดอยู่นิ่งเฉยๆเรื้อทำารืสิ่งเท่าที่จำเป็นต้งทก็คือดูแลร่างกายนี้เท่านั้นเองหาอาหารมารับประทาน ตอนนั้นก็อยู่บ้านได้งานไม่ต้องทําก็ไม่ต้องทําทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทําไปงานงานที่ไหนไม่ได้ก็ไม่ต้องไปมันไม่มีอะไรที่จะสุกเท่ากับความสงบของจิตเราไม่เราไม่พลิกวิกฤตัห้เป็นโอกาสเนี่ยเรามีโอกาสมีเวลาว่างหลายวันก็ต้องไปทํางานทำการเอยู่บ้านนั่งสมาธิยาทั้งวันเลย อ่าหนึ่งค่ะถามท่วงนี่ติดต อ, อกว่ากนะคะแต่โอ้โกินไม่ได้นอนไม่หลับป้าบอกว่านอนแล้วค่อยหลับค่ะตื่นตีสามทุ่ววเลยนอนไม่หลับ อ, อ, บ อ, ะ, บอะทำไมน่างจะมาที่อีกไว้ที่ท่านอาจารย์ว่านะอโอ้ยนางไม่ได้สิบนาทีไม่ไหวโอ้โหแบบมันมั น, นมันละเอียดมันได้นั่นมากอ้าวหยุด มันก็เป็นแบบนี้สินาทีแล้วเปียนไปครึ่งชั่วโมงแล้วมพอจะไม่นั่งกลยรู้สึกหูดีเนามันว่างๆอยู่แล้จะทำไหเอานั่งเสร็จี่นั่งไม่ได้อีกมันรู้สึกเหแบบมันใจมันเราไม่เคยเราไม่เคยจะนัสติไม่เคยฝึกสติพอจะนั่งแล้วมันมีเชื่อที่จะฮ้องคอดิ้งให้มันนี่ก็วิ่งไปวิ่งมามันก็ทาว่าเราฟุ้งซ่าน นั่งไม่ได้แต่มันก็พยายามจะนั่งนะครสินาทีเว้นไครึ่งชั่วโมงแล้วไปอีกสินาทีไม่ได้เห็นโทษเลยยังเห็นเท่าองการที่ไม่เจริญสติเล ย, ย่งังคนจะเห็นถ้าเห็นนี่ก็ถือได้ว่ายังยังไม่าถาดทุนได้สงดเงียบได้รู้ว่าอะไรที่เราต้องทําก็คือสตินี่เองเราต้องเจรินสติในชีวิตประจำวันอาอย่างที่พูดเนี่ยเติมขึ้นมา ถ้าท่องพุทโธแล้ก็ท่เหมือนไปเนยพุทโธพุทโธพุทโธใส่ฟันจรจังน้ำหน้าล้างตากับพุทโธแปรงฟันกับพุทโธอาบน้ำกับพุทโธแต่งเนื้อแต่งตัวกับพุทโธกินข้าวกับพุทโธเดินทางไปทํางานกับพุทโธทํางานไปถ้าไม่ต้องคิดเรื่องงานกับพุทโธไปพุทโธถึงเวลาพักกาวันกับพุทโธถึงเวลาเย็นเดินทางกลับบ้านกับพุทโธพุทโธ กลับมาบ้ากับข้าวกินข้าวต่อพุโทโธอาบน้ำพุโทโธพอถึงเวลาจะนอนก็นั่งพุโทโธเนี่ยจิตก็สงบข้าแล้วทีสิบนาทีเจิตก็จะรวมหงได้ทำดูเสร็จแค่นี้แหละไม่ยากหรอกทำได้ว้านที่นี้ก็สบายคือต้องควบคุมความคิดเบียด่อดให้มันคิดด้วยเปือ่อคิดเพ้อเจอคิดคุ้นซ่า แต่ถ้าจำเป็นจะต้องคิดเรื่องงานเรื่องการก็คิดได้แต่มันไม่มากหรอกเรื่องงานเรื่องการเรื่องเราจะต้องทําอะไรบ้างวังนนี้ก็คิดไปคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดแล้วก็หารกลับมาพุทโธต่อไปพุทโธประยุกตกว่ามันไม่คิดเนี่ยถ้าไม่คิดแล้วก็หยุดพุทโธได้ถ้ามันสั่งแต่ก็ารู้ทำอะไรก็สั่์แต่ก็รู้ตอนนั้นเราไม่ต้องพุทโธก็ได้แสดงว่าความคิดเันเหนึ่หเลยนะเราเอามาใช้ให้มนคิดในพุทโธเนี่ยถ้ามันไม่มีแรงที่จะไปคิดเรื่องอื่น มัก็ไม่คิดถ้ามันไม่คิดแล้วก็ไม่ต้องพุทโธแล้วก็ดูดูงานที่เรากำลังทําอยู่เรากำลังเดินก็ให้ให้ดูว่ากําลังเดินอยู่เวลานั่งเวลาทําอะไรก็ให้รู้อยู่แต่ถ้าพอพอจะไปคิดเรื่องอื่นปั๊ก็ต้องเดินกำลังพุทโธ อยากคิดน e ําคิดไปยุดยุดคิดไปเลยอยานั่นคิดไปเลยกั่นแหละคิเลยไม่คิดอย่างมันจะหลอกให้เราคิดอยากคิดคิดไปให้ให้พอแล้วจะนั่งต่อใหม่แล้วพเสร็จมานั่งมานั่งไปเอามาอยากไปคิดต่ออีกนั่เลยยังไม่เห็นอีกรอมันถูกหลอกใช่ไหมถ้าปล่อยมันคิดเึงไม่มีวันหยุดหยุดคิดแล้วมือน้ไม่หลักเยที่น้ำไม่หลักเคยห้องเลยไม่ไม่ยอมหยุดคิด พูทโจพุทโธไปห้านาทีก็หละบเ่อดูลงไปห้านาทีก็หลันะส ต, ตินี่สำคัญว่าพระเจ้าทรงตรัสว่าเตำแหน่งลอยท้าช้างยิ่งใหญ่เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าธรรมทั้งมวลปัญญาถึงแม้ว่าจะตัดทีเหล็ได้ทำให้มายนมากของนิพพานได้แต่ถ้าไม่มีสติเป็นพื้นเรียงก็เกิดไม่ได้ สมาธิก็เกิดไม่ได้ปัญญาจะเกิดได้ต้อง ม, ส ม, สมีสมาธิก่อนสมาธ er. ิจะเกิดได้ก็ต้องมีสติค่อนงั้นอย่าข้ามขั้นถ้าเรียนหนังสือก็ต้องท่องกอไก่ของไก่ไปก่อนตนเราเวลาเริ่มต้นก็อยากจะไปขั้นปัญญาเลยตามรู้จิตเลยตามรู้ทรรมเลยได้หยุดนั้นไม่ได้เพาะต้องเว่งตามจนเหนื่อย ตองยดเินก่หยุดด้วยพุทโธหยุดด้วยการบริกรรมถ้าไม่ชองพุทโธจะใช้อากาศสามสิบสองทางก็ได้เข้าไปผงขมเล็ดฟันน้ำเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อเนอกระดูกม้าหัวใจหับร่างื้ตายปอดใส่หยางใส่น้อยอาหารหมือนการเก่าเยอเลยสมองศีรษะน้ำดีน้ำเปรย์น้ำเหลืองน้ำเลือน้ำเงินน้ำมันข้นน้ำตาลน้ำเหลืองน้ำหวายน้ำมูกน้ำไข่ทอน้ำูดเนี่ย ก้าไปมันก็ต่อไปก็จะเท่าได้ใช่ไหมเท่ากอง ก, ก่าขเนีไยก็เหมือนเท่าไปสุดคูนสุดคูนก็หน่ายสุดคูนเรา่มันจะมันจะได้เอามาใช้อยื่ความคิดได้ถ้าไม่เท่ามหน่าจะตายไปแต่ประโยชน์มาหาศาลก็ไม่เห็นเลนยนั่นหยุดความคิดได้มันหยุดความทุกข์สร้างได้หยุดความคิดเพ้อเจ้อต่างๆแล้ถ้าไม่นั่งสามาธิได้เป็นชั่วโมงไม่ทําเลย ถ้าท่องไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆเหลือชั่วโมงก็ผ่านไปแ้วไม่ถึงชั่วโมงถ้าเท่างจริงๆถ้าจะเตือ น, น, น, น, นจะชื่นนันก็สงบพระอาจารย์คะคือลูกก็มีนั่งสมาธิมันก็พอนั่งสมาธิมันก็นิ่งดีแล้วค่ะ mm hmm. แต่ว่าคืออย่างพอน้ําท่วมเนี่ยคือที่ที่ที่เห็น mm hmm. มันก็คือเห็นความเสื่อมแล้วมันไม่ชอบ เจ้าขาท่าอาจารย์ฟังฟังท่านก็เยอะแล้วตอนเห็นก็บอกตัวเองว่าเนี่ยมันก็คือความเสือ่อมความจริงแต่เราไม่ยอมราะใจเรามีอคติไนงะมีความไม่ชอบอยู่ความชังอยู่ความไม่ชอบนี่เป็นอคติเป็นกิเลสเป็นอารมณ์ที่ผลิตออกมาจากกิเลสเพราจิตไม่สงบเหมือนไม่ตกตะกอนอคติมันไม่ตกตะกอนมันไม่แยกออกจากใจมันไม่สงบตัวลงไป ถ้าเราทำจิตให้สงบแล้วเวลาพิจารณาเวลาเห็นความจริงที่เสื่อมความเสื่อมนี่จะไม่รู้สึกเออยาวๆแล้วว่าเออไม่เป็นคือมันต้องหลายวัดนะค่ะท่ า, า, านอาจารย์มันถึงจะค่อยๆซึ่งซึ่งอย่างนั้นมันเหมือนมันไม่ได้รู้ได้ด้วยปัญญาหรือด้วยความสงบเหมือนตรงมรก้ก็คิดว่าจริงๆถ้าเราปฏิบัติเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่ คือการยอมรับมันไม่น่าจะมาจากการปลงมันน่าจะมาจากจากการที่เราได้คิดเป็นมเจ้าคะก็นั่นหละการคิดก็คือการปลงนี่แคิดว่ามันเป็นอย่างนี้คาว่าปลงก็คือยอมรับความจรงิงความเป็นสภาพความเป็นจรงิงว่าของมันไม่เที่ยงมันต้องเสื่อมคาว่าปลงก็คือว่าความเห็นความเสื่อมอันเดียวกันความปลงกับความคิดความเห็นว่ามันไม่เที่ยงก็คือ ความหมายอย่างเดียวกันที่โปรงก็เพราะว่าเออมันเป็นอย่างนี้เองเนาะไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เห็นผนะมเนี่ขาวแล้วเราโรงอ่ามันขาวว่าขาไม่ต้องไปย้อ ม, นะมกันใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าโปรงนะเห็นความจริงย้อมอยังไงมันก็ขาวอยู่ดีย้อมไปเดี๋ยวไมันก็ผุขึ้นมาแต่ การยอมรับนิ่งมันอยู่ที่จะช้าหรือเร็ว อ, อ, อยู่ที่สติใช่ไหมคะอยู่ที่สติ น, นั้นเพราะว่าต้องใช้เวลาเหมือนกันในการอยู่ที่เห็นอยู่ที่เห็นว่าถ้าถ้าถ้ารับได้มันไม่ทุกเนี่ย <Okay. S 1> ถ้าไม่รับมันทุกจะเห็นตรงนั้นต้องเห็นนะเห็นอนุญาตศักดสิทธิ์คือถ้าเรายอมรับแล้วเราก็จะตัดความอยากอยาให้มันเป็นอย่างอื่นไป พอเราตัดความอยากให้เป็นอย่างอื่นไปได้ความทุกข์ใจก็ได้<ม>ความหมดิจใจไม่สบายใจก็จะหายไปต้องเห็นอริยสัครับเห็นว่า เ, ออเราไม่ยอมรับถ้าเรายังไม่ยอมรับความจริงนี้เราก็จะต่อต้านเราก็อยากจะให้เป็นอย่างอย่างที่เราอยากได้พอเราเกิดความอยากให้เป็นมันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ในสมมติเวลาอยู่ในเหตุการณ์ที่ใกล้ตายอยางนี้ถ้าเรายังอยากจะอยู่เราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเราไม่ยอมรับว่าเราจะต้องตายแต่ถ้าเรายอมรับว่าเราต้องตายแน่ๆว่ายอมยอมตายก็เราก็จะไม่เกิดการต่อต้านไม่เกิดความอยากอยากที่จะอยู่พอไม่มีความอยากที่จะอยู่ปั๊บความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากจะอยู่ก็หายไปใจก็จะสงบ ยานจะมีความสุขในขณะที่กําลังจะตายถ้ามันเห็นนี้ต่อไปมันจะมีสากวิธีตล่อยนิ้งปล่อยว่างพอทุกข์กัเมื่อไรปั๊บจะต้องปล่อยเรื่องนงันทางจิตยไม่ยึดไม่ติดจะไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นอย่างไรก็ให้เขาเป็นไปเช่นจะสูญเสียสิ่งที่เราลักไปเช่นแฟนของเราสามีของเราเขาอยากไปหาจะไปมีแฟนใหม่ก็ แต่ถ้าถ้ามองมาที่ใจจะเห็นทันทีว่าทุกทันทีว่ากําลังทุกเนะี่ยถ้าเราไม่อยากให้เข้าไปถ้าเราหวงเขาไม่อยากให้เขาไปจะทุกข์มากแต่ถ้าเราโฟมว่าอไปเขาไปจบเราไปบังคับเขาไม่ได้กนะารจากกันก็เป็นอนิจจัง น, น, นี่อันนี้กําลังอนิจจังกำลังจะเกิดแต่เราไม่ยอมให้มันเกิดแล้วก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่พอเรายอมให้มันเกิดครับเราก็ สบายใจเขาไปได้กับไปอยาไปก็ไปเราไม่เห็นดร้อเนี่ยมาต่อไปมันจะปล่อยทุกอย่างแบบเดียวกันพอมัทุกกับอะไรบ้างมันจะต้องปล่อยทันทีเพราะว่าการไปยึดติดแล้วก็ไปอยากให้เขาเป็ไปตามความต้องการของเราแล้วมันเป็นไปไม่ได้เนมันจะเกิดความทุกข์ทรามานใจมากแต่พอปล่อยอ่ะไปก็ไป จะเป็นอะไรก็เป็นไปใจก็จะสบงบทันทีคือต้องเห็นว่ากำลังต้องเห็นว่าอริยจารย์ก็คือการเปลี่ยนแปลงการพัดผ่าจากกันเี่ตอนนี้กําลังจะเกิดขึ้นแล้วถ้าเราไม่อยากให้เกิดขึ้นก็จะเป็นความทุกข์ใจก็เยอะความอยากแม่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสมุทยัยเป็นวิภาวะทุขหา พอพอเห็นว่าเอทุกจัความทุกใจเราเกิดจากความอยากไม่ให้เกิดขึ้นถ้าเราไม่อยากจะทุกใจเราก็อย่าไปอยากปล่อยให้เป็นไปตามความเป็นจริงเขาจะอยู่ก็จะอยู่เขาจะอยู่ก็อ ย, อยู่ไปเขาจะไปไม่ก็ไปใจก็จะไม่ทูกมันต้องเห็นแนี่เห็นเห็นเป็นแบปัจจุบันทำดูเป็นอะไรก็ไดที่ ที่แบบว่าหน้าคํามเค่็ดทุกมาแต่พอพิจารณาเห็นว่าโอ้แล้วไปยืดไปตีกับสิ่งที่มันเป็นไ ป, นปนไม่ได้พอรู ne, ้อย่างนี้แล้ก็ปล่อยนะปล่อยให้เขาเป็นไปตามเขาเป็นก็อยากจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เขาเป็นไปใจก็จะไม่ทุกข์หายทุกข์ทันทีเลยค่ะอาจารย์ครั คื อ, อเวลาที่เรานังสมาธิกาหนดสติอีูใช่ไหมคะคือฟ้าเราจะบอกว่าให้ดึงมีคุโทโธเพื่อน ด, ดึงไม่ให้เราคงส้้นใช่ไหมคะแต่ว่าบางครั้งหนูเคยได้ยินบางคนเขาแนะนําให้พิจา ร, รณาตามความคิดของเราหนูก็เลยสงสัยว่าแบบไหนมันจะเหมกันนะคะคือเราไม่อยากจะพูกแทกนเขเลยเ้าไม่รู้เ <c oughs> ขาพูดามีมความหมายว่าอย่างไง แล้ก็ปฏิบัติแล้วเขาได้ผลอย่างไรต้องไปถามเขาเลยน้พูดแต่ส่วนของเราก็่านแต่ส่วนของเขาเราไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรไปพูดไปเดี๋ยวอาจจะไม่ตรงกับสิงที่เขาพูดก็ได้คือที่ให้ให้พิจารณาก็ท่านบอกว่าถ้าเราไม่สามารถปริกรรมได้แล้วเราสามารถใช้ปัญญาข่มใจได้ก็เอาได้เช่นน้อ กำลังผู้สรยกับเรื่องอะไรกับกบารเรียนสมมติเราคิดต่นนอการว่าปีนี้จะจะผ่านหรือไม่ผ่านเราห่ห้าธรรมะที่อยู่แล้วก็จิตก็ไม่ยาวอยู่กับพุโทโธอย่าไปคิดถึงได้เรื่องว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนี้เราก็ต้องเอาปัญญามาวิเคราะห์ดูว่าเรื่องผ่านหรือไม่ผ่านนี้มันก็มีเหตุใช่ไหมเหตุก็คือการเรียนของเราการศึกษาของเรา ถ้าเราขยันเราศึกษาเต็มที่แล้วเราก็ทําได้ถึงข น, นาดจถาำไม่ทำนี่มันก็แล้วแต่แต่ถ้าเรายังไม่ทําได้เต็มที่เราก็ควรจะกลับไปทําให้มันเต็มที่แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาไปทำํำเราก็เอยวไปเ อ, อย่าเพิ่งไปคิดถึงมันเรามำนำพุทโธพอคิดอย่างนี้ได้ใจามันก็จะปล่อยวางเลื่อนความที่ตกกังวล เกี่ยวกับเรื่องการเรียนทารงานแล้วก็กลับมาอยู่กปุทุโธได้เราต้องตัดใช้ปัญญาเข้าไปตัดเรื่องที่จะมาลักเลนการบริกรรมการภาวนาของเรายังนี้ต่อ ว, ว่าตอนนี่นั่งอยู่ตรงนี้อยู่ที่บ้านดูใส่กิจรหรือเปล่า ที่อยูนี่เราบางทีก็นำไม่ได้กลั ว, วเดี๋ยวขโวยขึ้นด้ของหายเราก็ต้องบอกเาว่าเราอยู่ตรง น, รงนี้ถ้ามันขึ้นตรงนี้เราก็ขึ้นไปได้ถ้ามันเราไม่ได้ไปได้มันก็อ น, นิจจังไม่ใชเลยเขาเปลี่ยนมันไม่เที่ยงมันก็ไม่อยู่บบนนนกับเราไปตลอดแล้วเรากะไปควบคมมันก็ให้อยู่นนกับเราไปตลอดไมยากถ้าเราบอกว่ามันจะไป้็ไปจะหายจะหายก็หาย จิตเราก็จะปล่อยวางเรื่องความวิตกกังกับเรื่องของหายได้เราก็จะกลับมานั่งสมาธิต่อการใช้ความคิดแก้ทิ้แบบนี้คิดเพื่อตัดความทุ้ข์สร้างต่างๆใจเราเราทุกข์สร้างเรื่ององะไรเราก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาแก้ถ้ามันถ้ามันไม่สามารถใช้สติต ควบคุมใหอยู่กับพุทโธได้อยู่กับลมได้เขาต้องใช้ปัญญาเข้าไปตรงเรื่องที่กำลังทำให้เรามมเกิดญญความวิเกกังวลเกิดความทุกข์ขั้นอย่างนี้ท่านเรียนว่ปัญญาอบรมสมาธิ ความหมายของการนั่งสมาธก็คือเรองการหยุดความคิดเน้นถ้าไปนั่งเฝ้าดูความคิดอยู่ไม่ในวันเดอย่างที่นมื่เกี้ยมเนี่ยก็พูดว่าขอยให้มันคิดให้พอแล้วมันก็พออ่ยนันใันถมันจะทนนั่งไม่ได้นั่งักมันก็เจ็บมันเื่อยมันจะอดมันอยากจะลุกไปทำอย่างอื่นแต่ถ้ามันไม่คิดแลมันนั่งได้นั่งได้นาน ยิ่งสงบก็แล้วนี่ไม่อยากจะลุกนี่ไม่อยากจะไปไหนพะความสงบนีน่เป็นความสุดที่สูงสุดเป็นความสุดที่จะชุดเฉยทดทดแทนความสุดต่างๆที่เราอยากจะไปหาได้เช่นอยากจะไปดื่มเซียรความพอติดสงบ ก, ก็จะมีเรื่องอยากจะดื่มเบียร์ไปไม่เห็นไม่เห็นกับความอยากจะดื่ม แต่ถ้าไม่ยอมอยู่กับพูดโทรคิดอยู่กับแคบซีป๊อปซี่เรื่องเนแล้วมันก็ต้องลุกคนไปเฟฟอาแคปซี่เดือได้จ้าจะ่นใช้ที่มันอยากดืเปนเ่องิมมาทั่งสมาธิทไมคนนั่งทำไมนะก็ไเดืามาทั้งวั น, นเลยก็ยไม่ได้ท้าวเล มันอยากก็ดูให้มันหายอยากแล้วก็ไปนั่งสมาธิมันไม่นั่งนั่งได้หรอนั่งได้มันหายจริงเหรมันหายจากซ้ำจากแท็กซี่มันก็อยากเหมืนแทกี่ไปยาอั่งมันอยากจะนอนนะพี่อยากนอนกลางวัท้องวันกลางวนไหท้องตนไหนกลาวันเรื่องไหวมันอยากมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ มันเหบื่อเรื่องนี้อยู่เรื่องนี้มันก็ไปหิวกับเรื่องอื่นเบื่อเรื่องทองก็ไปถิวเรื่องตาตาก็อยากจะดูเรื่องนี้เรื่องนี้พอดูตามตามเบื่อแล้วก็อยากจะฟังเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ได้หต้องต้องสกัดมันอย่างเดียวต้องหยุดมันอย่างเดียวเท่นั้นมันถึงจะหยุดมันไม่ได้หยุดด้วยการทับตามใจมัง มีทางตามเท่าไหร่มันก็ยิ่งอยากเพิ่มมากขึ้นไปดังนั้นคนเริ่มกินกาแฟวันละแก้ววัน ต, ต่อไปอยากทับแก้วที่สองลองกินอยู่เลยมันต่อไปจะต้องเป็นสองแก้วแล้ววันถ้าอยากแก้วที่สามอีกต่อไปต้องกินวันละสาแก้วสู่คุณเองก็เหมือนกันนริ่มต้นแค่วันละแ้่ทีละมวนใช่ไหสู่ไปสู่รางกายสู่มันละสามสองผู้ปล่อยตามความอยาก อยากสู่ให้มันไม่พอเลยจะได้ไม่สูส่หรืนี่มันมคําว่าพอที่ไหนพอทนี้มันไม่พอหรอกทองฟ้าหมาสมมุดแต่ก็อยากใส่สากันอย่ า, ไ า, นนาดไห น, นมันยังมีขอบในฝั่งแต่ความอยากมันไม่มีขอบไม่มีคําว่าพอเราให้มันพอก็ต้องหยุดกันเท่านั้นอยากจะดื่มก็แ่หยึดดื่มไปแล้วพังต่อไปนี้มันจะหายอยากไเอง ทุกครั้งอยากจะดื่มแม้ที่นั้นไม่อยู่ต่อไปไม่ก็ไม่อยากเพราะอยากก็ไม่ได้ดื่มก็อยากซื้อเวลาเปล่าต่อไปไม่ก็ไม่ดื่มื่อรีก็เหมือนกันอาหารก็เหมือนกันของอะไรที่เราทํำตางความอยากถ้าเราฝืนมันไปแล้วไม่ทําตามความอยากไปไม่กี่ครั้งมันก็หายอยากเที่มันยากเพราเวลาที่มันอย่างนี่ทําทรมาใจเราต้องมีเครื่องมือมาช่วยแบ่งปองความทรมานใจ ก็คือต้องมาทําสมาธิคนทําสมาธิได้เยจะเลิกสิต่างๆได้ เ, เลิกรูปสิ่งสิ่งลบถูกตถาคตไดเ้เพราะว่ามีมีที่ยกมีเหมากับมียายาชามืเวลาถ้องฟันอยางนี้ถ้าไม่มียาชาโ อ, อ้เวลาท้องฟังนใมันเปวดมากเวลาจะท้อยความอยากต่างๆเ น, นี้ยถ้าไม่มี สมาธิยังถอนไม่ได้มันทำละลายแต่ถ้านั่งสมาธิได้ถอนได้สบายในท้องฟันหมอฉีดยาชาแล้วถอนไม่รู้สึกเลยฟังดุบไปแล้วเลยนั่นสมาธิที่สาคัญมากเอย่าไปฟังใครทั้งหลายเว่าไม่ไม่จําเป็นแสดงว่าเขาไม่เคยปฏิบัติรือปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่ถึง ที่ต้องมีสมาธิทท่านั้นมักแปนก็มีสมาธิการสิคธาก็มีสมาธิสีสมาธิปัญญาพลห้าก็มีส ม, า ธ, สสมาธิสัจการิยาสติส ม, า ธ, ส า, า, สสมาธิสัญญาไม่มีสมาธิทท่านั้นสมาธิมีองค์ประกอบที่สำคัญแต่ไม่ใช่เป็นงองค์เดียวัต่เป็นส่วนหนึ่งของของโลกโยม เราว่าล้อรถยังไม่สัาคัญธ์ได้อย่างไรมีเครื่งอยงยนอมีทุกอย่างแต่ไม่มีล้อรถมันไปได้ไนหะยางแต่เพียงล้อเดียวก็ไปไม่ได้นะมันต้องมีให้ครบทั้งแปดองค์ถึงจะไปได้มักเอมที่มีองคแดถ้ามีมักก็จะมีผลต่าง ม, มามีวิถาตกางมาถ้ามักไม่ครบองค์แปดผล กับพันธุพานก็จะไม่ตามมาเด็กที่สอนแล้วสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิแล้วก็สัมมาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็จะเป็นเป็นปัญญาต้องมีสติสอนพอสติจิตงสงบแล้วก็พิจารณาก็จะมีสัมมาทิฏฐิเห็น เห็นตาจรักเนยเพราะว่าเห็นชอบก็เห็นว่าเห็นอนิจจังทุกข์กมอนัตตาวิจฉาที่ติก็คือไม่เห็นอนิจจังทุกข์กรมอนัตตาเห็นว่าเป็นเป็นนิจจังสุขกรมอัตตาส่วนใหญเราจะเห็นว่ามันเที่ยงมันเป็นสุขมันเป็นของเราเราเห็นอย่างนั้นก็เลยมีวิจฉาสังกับตัความผิดผิด ความเห็นผิดแล้วก็จะทําให้มีความคิดผิดกิด เ, เกิดความอยากถ้าจิตของเราก็ต้องอยู่กับเราไปไม่ให้ไม่อยากให้เขาจากเราไปก็เลยผลิตสมุทัยขึ้นมาผลิตความทุกข์ขึ้นมาเพราะมีความอยากแล้วก็จะผลิตความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเรามีสติมีสมาธิแล้วก็จะมีสมาธิจิก็จะได้ผลิต ความอยากขึ้นมาก็จะเฉยๆอยู่กับความกินไปแก่ก็แก่เจ็บก็จ็ตายก็ตายการจะอยู่ของเราว่าอยู่ไปใครจะจากเกาไปก็ไปก็ไปก็จะเล่นเนี่ยกับการมาการไปการเกิดการดับของสิ่งต่างๆระเจอเรลราเลิกเสร็จแล้เจรุสึกก็จะเรินมไปยนเสื่อมก็ป่อยเนื้อเสื่อมไปเราไม่ได้มีได้ไม่เสียกับกาเฟ เราไม่ต้องอาศัยเขาให้ความสุขกับเรานะ้ว่าเรามีความสุขที่เหนือกว่าคือความสงบของใจที่เกิดจากการเจริญสติสมาธิปัญญาผู้ตายก้าบนกับอยู่ในวงกลมนี่แหลการมันก้าวบนมังเกี่ยวเนื่องกันทํามที่เกี่ยวเนื่องกัน นนเลลวลาเราเห็นสิ่งเข้ามากระทบแล้วจิตกระเพื่อมแล้วเรามีสติดูรู้อยู่อยากจะถามว่าการที่เรามีสติดูรู้อย่างอย่างสงบเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีผลว่าอะไรเข้ามากระทบแล้วจะไม่กระเพื่อมแล้วหรอคะคือการกระเพื่อมที่เจ็บนี่มันมีเหตุทำให้กระเพื่อคือมันมีความหลือง ก่าไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นอะไรกันแน่เราไปคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เห็นงูเห็นงูเราก็จะคิดว่ามันเป็นพายเราก็จะเกิดกบความกลัวขึ้นมาแต่เราไม่รู้ว่ามันไม่ได้เป็นภายกับใจงูนี่มันเป็นภายกับร่างกายร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายจะถูกงูกัดไม่กัดมันก็ต้องตาอยู่ลี ถ้าเราคิดนี้รต่ อ, อไปใจเราจะไม่กับเพื่อนเข้าใจไหมถ้าเราไม่คิดเราก็จะตกับเจอโมฆะนี้นก็จะตกใจกลัวทุกทุกครั้งไปแต่ที่ว่าอย่างว่าสิ่งที่ยินทำได้ทำเราได้ก็คือท่าร่างกายใช่ไหมแต่ท่าใจไม่ได้ท่าโจยที่กับเพื่อนไม่ได้ใจที่กับเพื่อนนี้ไม่ตา่างไปจากร่างกาย แล้วนี้ถึงแม้จะไม่มีมากับร่างกายร่างกายก็ต้องตายเหมือนกันนี้ถ้าใจพอที่จะปล่อยให้ร่างกายตายไปแล้วมันก็จะไม่กระเพื่อมเป็นอะไรก็จะเฉยคนเราเปืนมาจ่อที่ศรีรษะก็จะเฉยเพราะใจไม่ได้ไปเป็นอะไรไปกับร่างกายมีนต้งใช้ปัญญาพิจารณาแก้ความโลงใจของเราจะพิดว่าเป็นร่างกายอยู่ตลอดเวลา พอม้มีทายที่จะมากระทบกับร่างกายใจก็จะกระเพื่อมขึ้นมา ท, าทันทีแต่พอใช้ปัญญาิัญญาว่าร่างกายไม่ใช่ใจอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายไม่ได้เกิดกับใ จ, จแสดงว่าลำพังสติไม่ได้ไม่ได้หุดการกระเพื่อมมันก็เบรกครับเดียวมันเบรกครับเดียวแต่ถ้าถ้าเป็นถ้าการกระเพื่อมปัญานก็เบรกไป่ได้ ส่วนาจจะเบลได้เฉพาะไอ้เรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจําวันนี้เราเช่นคนมามาเดินแซงคิวเรานี้แล้วอาจจะหยุดได้ให้เขาไปแต่ถ้าเขามาตกได้เราไม่อาจจะหยุดไม่ได้ถ้าอย่างนั้นแต่ผมว่าถ้าเปิดถ้าเปิดอีกนึงรู้รู้แล้วคือไม่ยครู้ปั๊บต้องวางเลยไม่กับเพื่อนกับกับก็กับเพื่มแล้วรู้เนี่ย ตงมี่ากั็ใช่ถ้าก็บเพื่อาเราแสงว่าปัญญายังยังยังคูณไม้อยู่เหมือนเหมือนเหมือนกับไม่นี้ไม่มีการฉีดวัคซีนก่อถ้ามีฉีดวัคซีนแล้วเชื้อโรคเข้ามาร่างกายร่างกายก็ไม่ไม่เป็นโรคอาการรับรู้คืองนั้นเป็นอาการของสัมชาติยานได้ด้วยไหมคะเรื่องสามสามชาติยานนี้มันแก้ไม่ได้มันเป็นเขาที่มันมัน มันเร็วกว่าเรื่องว่ามันเป็นธรรมชาติขาเขาจิตที่แต่แต่าการอาการของจิตของจิตที่ในสติปัญญาก็จะไม่กระเพื่อมอยู่ดีเราอย่างนะคว่าสัญชาตญาณที่เดินไปนมันเลื่อนจะลโมเนี้ความมีอะไรคว้าความไว้ไม่ให้ล้มได้ก็จะคว้าทันทีมันทันกันทันทีแต่แตใจไม่ได้ไปตึเต้นกับการที่จะล้ม แต่ถ้าใจไม่มีสติปัญญานี้ถึงแ่้จะคว้าได้ัจก็ยังตกใจอยู่ oh. ยังกราเพื่ออยู่อ mm hmm. าารเนี <Okay. S 2> ่ต้องแยกกลารความกระเพื่อของจิตใหมันเพื่อมให้กระเพื่อมไม่อยู่ที่สติปัญญา mm hmm. ถ้ามีสติปัญญาทำนี้จะไม่กระเพื่อมการูกบ mm ้า hmm. นแต่ถ้าถ้าถ้าไม่มีสติปัญญานี้ถึงแม้ว่าจะไม่โดนถึงแม้จะจาได้ก็ยัง ก็ยังเกิดอาการตกตกตกใจขึ้นเลยนะแต่ถ้าสมมติว่าเราพอดูจิตแล้วมันมันยังกระเพื่อนอยู่แสดงว่ามันไม่ได้ฉีดวัคซีนตอญนาเรายังไม่ยังไม่คุมคุณจิตพอยังยังปล่อยให้จิตกระเพื่อมได้แต่ถ้าปัญญาเราพิจารณาอย่างทองแท้ว่าปล่อยวางได้จิตจะไม่กับเพื่อมเลย มันก็จิตวัคซีนเลยนะเชื้อโรคยังไม่สามารถเข้าไปทาให้ร่างกายเจดบไข้ไแได้เลยเราถึงต้อเจิญปัญญาคือต้องพั ไ, ไปแล้วเพราะกายร่านี่แหล ะ, ละเป็นตที่ทให้จิตกระเพื่อเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจิตกระเพื่อขึ้นมาทีนทบางคนต้องฟ้องไว้ก่อนแล้วต้ทําการบ้านไว้ก่อนเหมือกับนักนักหน่ยที่ต้องมีครูสอนคอย คอยคอยตายคอยบอกว่าทูต้ท ต, ต่อทู้จะตายมาทําไหนแบบไห น, นเพื่อเราจะได้ปียนล็อกไปได้ถ้าเราไม่ซ้อมว่าพอขึ้นเมื่อทีก็ตายมาเราก็จะได้ก็ถูกก็ตายล้มลงไปแต่ถ้าเราพร้อมไว้ก่อนแล้วพอขึ้นเมทีตัวก็มาคอก็ชกมาแบบนี้ปั๊บเราก็จะกันได้รับได้ทันทีเรียนแล้ว ถ้าเราเตรียมเตรียมตัวตายอยู่ตลอดเวลาอนี้พอถึงเวลาตายแล้วก็จะไม่กระตุน้นแต่ถ้าเราไม่เตรียมตัวตายพอจะตายขึ้นมาเนี่ยโหตกใจกลัวยัางมาะยังสุดขีดเลยถ้ามีนบอกให้ช้องตายอเรื่อยให้พิจารณาความตายอยู่เรื่อยในถาตัวเองว่าพร้อมที่จะตายหรือยังถ้าเขาจะมาขอเอาชีวิตเราในวันนี้เราจะพ้องให้เขาไปหรือเป่า นี่คือการทำการบ้านแล้วเราทำไรจนชางานแะล้วคอามแล้วพอแนละ้วข้ามาก็ให้เข้าไปไม่เป็นไรไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเกมดินน้ำลงไฟคิดอย่างนี้คือปัญญาปัญญาที่จะทำให้เราปล่อยนะถ้าเราเห็นอนัตตาเห็นนี้แจงเห็นอนัตตาเห็นทุกทุกราวายุติพ่อหัว พอไม่หวแล้วก็จะไม่คุกต้องซ้อมไม่ก่อนต้องคิดไม่ก่อนถ้าไม่คิดไม่ก่อนแล้วก็เกิดเหตุาการณ์เช่งคนมาตกหน้าเราเนี่ยซ้อมไม่ก่อนเตรียมให้วก็ตอบคิดอยู่เรื่อยๆเนี่ยตอบตอบตอบได้เ <c oughs> จอเหนะตุการณ์จิงเนาะผมพยายามตอบให้ซ้อมอยนะู่เนี่ยเจ็บกายเท่านั้นแต่ไม่เจ็บใจ เวลาไปหาหมอฟันถอนฟันเจ็บคนนี้ยังเจ็บได้เลยทำไมคนตกหน้าเราคนนี้ทํำไมเจ็บเจ็บไม่ได้เข้าใจไที่ที่เราจะยอมเจ็บหรือไม่ยอมเจ็บนะถ้ายามเจ็บก็ไม่เจ็บไม่เจ็บที่ใจที่เวลาปวดฟันไปหาหมอเนี่ยจต้องเวลาถานไม่ต้องเจ็บก็ยอมเจ็บแต่แต่แต่ในขณะที่มีสติจะมีตัวที่เรารับรับรู้ ความเกิดขึ้นของจิตแต่ว่าการรับรู้อันนั้นเป็นการรับรู้ด้วยอาการที่สงบนิ่งมากอันนั้นถือว่าเป็นจิตหรือเปล่าเคยถ้าจิตนกระเพื่อก็ถือว่าเราก็ถ้าจิตเราไม่กับเพื่อมก็แสดงว่าจิตเราได้รับการอบรมให้ให้ให้เน่วอยู่กับเหตุการณ์แล้วได้ <c oughs> แต่ก็ไม่แน่ค่ะารอ่านมันจะยื่นไปทุกเหตุการณ์เราก็ต้องทดสอบจิตใจมาไปเรื่อยๆว่าเหตุการณ์ไหนเป็นปัญหาเราก็ต้องต้องเป็นต้องเป็นแก้เหตุการณ์นั้นต้องไปซ้อมเพื่อให้เรากับเหตุการณ์นั้นให้ได้ถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วเราที่กนนารแสดงว่าเราผ่านเหตุการณ์นั้นไม่เป็นปัญหา เช่งคนอย่างแล้วเราเก็เฉยได้ก็แสดงว่ายาวก็ไม่เป็นปัญหากัรเรื่องเรื่องที่ถูกคนก็จะยาวแล้วอย่างพระเนรจะอยู่คูบาอาจารย์ก็พร้อมที่จะให้คูบาอาจารย์ต้องยาวพอท่านยาวก็ไม่เกิดอเกิดเกิดอารมณ์เสียขึ้นมาแต่ถ้าไม่พร้อมก็อยู่กับท่านไม่ได้ต้องต้องต้องหนีไปเพราะกเกิดอารมณ์ขึ้นมาต่อต้าอย่างรุนแรง จะจทํำให้รู้สึกว่าไม่เขารับในตัวทา่านก็จะทําให้ไม่ไ ม, ไม่ไม่กล้าจะอยู่กับท่านแต่ถ้าพร้อมที่จะให้ท่านด่าแล้วก็เวลาท่านด่าก็จะถึงแม่จะมีอารมณ์มากแต่ก็สามารถคุมให้มันอยู่ในในกรอบได้คือให้มันดับไปภายในเวลา อ, อันสั้นได้คือยามรับว่าเรามาก็เพื่อมาให้ท่านด่าให้ให้ให้ท่านสอนยรา เราคิดไปเรื่อยทำหรือว่าถ้าท่านด่าเราว่านนังว่าท่านเมตตาเราท่านสงสารเราท่าต้องการช่วยเหลือเราเหมือนท่านบอกว่าคนที่เขาเขาตเหนิดราเนี้เป็นเหมือนคนเขาเหมือกับการที้คุณชอบให้กับเราถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วการดูด่าตําหนิตูเตียนของผู้อื่นก็จะไม่เป็นโทษกับเราจะไม่เป็นปัญหากับเราเรากล่าวแทนว่าเป็นคุณ วันัหนไม่โดนด่ากเรู้สึกว่าไม่ได้กินวิตรมินไม่ได้กินยาวันไหนท่าไม่ด่าเราเสถ้าไม่สนใจเราท่าไม่เมตตาเราท่าไม่ให้ความสำคัญกับเราถ้าใครย่าเราแสดงว่าเ้าให้ความสำคัญกับเราเราต้องมีความจำคัญแก่เขาเขาถึงเขาถึงกล้ามาย่าเราได้ใช่ไหมคิดว่าให้ความด้วยเหตุผลก็ได้ ถ้าเสียงที่เขาด่ายังไม่เป็นความจริงแค่แสดงว่าเขอเมาเหาเล้าเป็นคนเสียสติหรือคนตามบูมตามบอกพูดไปตามอารมณ์ของตัวพูดเพราะความโกรกเกียดอย่างนี้ก็อย่าไปถือสาส่เป็นทนหน้าสงสารแต่ถ้าเสิงที่เขาตำหน่งิเ้าเป็นความจริงเราก็ต้องขอบคุณเขาเพราะเขาเป็นเหมือนกระจกสองหน้าเราถ้าเราไม่มีกระจกเราจะรู้หรือว่าหน้าตาเราตอนนี้เป็นอย่างไร เวลาเราเจ้ออาสองบ้านเราต้องดูสองหน้าที่ประจบก่อนใช่ไ ห, หรือว่าสะาดไหมเรียบร้อย<ม>คนที่รับตำแหน่เราก็เหมือนกันเขาต้องบอกเราตอนนี้วิผมไม่สวยนะหวีให้ดีหน่อย<ม>เสื้อใส า, าไม่เรียบร้อยเรือเสื้อขาดตรงนี้เราไม่เห็นก็<ม>เป็นการชี้กุ่มสร้างให้เราถ้าเราพูดความจริงเ้าเขาไม่พูดความจริงเราก็าอย่าไปถือษ า, ารตรอท่านนี้ ถ้าอยครับถ้าอย่างเวลาที่เราเราเราอยู่กับความสนุกแล้วก็พอเวลาที่ติต ก, กับเพื่อนมันก็จะหลับเกิดทุกข์ทันทีเราจะเห็นมันเลยแล้วเราจะทิ้งมันเพราะว่าเราจะกลับไปสู่ความสนุกดีกว่า อ, อาือย่างอย่างนั้นนี้เหมือนอ ว, ว, มม ว, ว่าเราหนีทุกข์เรื่องนี้หรืเป่าเมื่อหนีทุกข์หรอว่าทุกข์นี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องกําจัดการปฏิบัตินี้มาก็เพื่อที่จะดับทุกข์ แล้วเมื่อทุกข์เกิดขึ้นเราต้องหาสาเหตุของทุกข์ว่าเกิดจากอะไรมันก็ได้สุดก็บอกว่าเกิดจากความอยากแต่ว่าเรารู้รู้ต่อว่ามันกาลังอยากกับอะไรที่ทําให้เราเกิดความทุกข์นั้นขึ้นอยู่แล้วเราละความอยากนั้นได้หรือเปล่าถ้าเราละความอยากนั้นได้ความทุกข์นั้นก็จะหายไปไม่ได้เป็นการหนีเป็นการปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ทุกข์เกิด เราก็ต้องใช้สติปัญญาซึ่งเป็นมัคเพื่มาดับความทุเหมือนไฟไหม้แล้วคุณไม่ดับไฟเลยไฟไหม้บ้านคให้คุณดับไฟหรือเปล่าการดับไฟบ้านบ้านคุณนี้เป็นการหนีไฟหรือเปล่าไม่ใช่หนีแบบเป็นการจัดการกับสิ่งที่เป็นภัยกับเราความทุกข์นี่มันเป็นภัยกับเราแต่การการดับความทุกข์ที่ไม่ใช่วิธีที่ถูกนีความดีอยู่อย่างที่พระเจ้าสอนว่าให้ ให้หลีกเนี่ยงวิธีดับความทุกข์ที่สุดตรงสองสองด้านเช่นดับด้วยการมาสุขอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นการดับความทุกข์เช่นไม่สบายใจก็ขอไปเที่ยวไปเที่ยวสักสองสามวั น, อ ย, นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการดับความทุกข์เดี๋ยวกลับมาบ้านก็ทุกเหมือนเดิมหรือถ้าไม่ไม่สบายใจก็เลยไปอดข้าวทิ้เฉยอเงี้ยไม่ทรมานตัวเองโดยไม่ไม่พิจารณาว่า ความทุกข์นี้อยู่ที่ตรงไหนกันนะอย่งพระพุทธเจ้าสงบอดตายอย่างนี้สี่สิบเก้าวันอดไปในความทุกข์ใจก็ยังมีอยู่ท่านว่ายาอย่าไปทําอย่างนั้นซึ่งในสมัยปัจจุบันพวกฤษีก็ยังมีวิธีที่จะคิดว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการทรมานตนต่างๆเช่นชีเปือย์นี่ก็คิดว่าหลุ่พ้นจากเพราะอาการยันเนื้อแต่งตัวนี้เป็นการเหมือนกับสร้างความทุกข์ให้ตัวใจ ก, ก, ก, มม ก, ก็ไม่ต้องไปต่ามังินหรือตัดผมจากผมต่ายผมหรือผมนี่เป็นเรื่องความทุกข์ก็ไม่ต้องไปตัดมันปล่อยให้ผมมันยาวไปหรือคนที่เห็นว่าชอบนั่งบนพวกหนาๆ น, านอนบนเตียงหน า, นาก็เลยเอาเอาตะปูมาทําป็นเป็นที่นั่งคืออยากจะนั่งให้มันเจ็บจะได้จะได้ไม่ทุกข์อันนี้ก็ไม่ใช่รานการบ เพราะทุกมันเกิดจากความอยาทุกใจเกิดจากความอยากถ้าอยากจะดับความทุกข์ใจก็ต้องดับความอากนั้นปะแสงสถาการเจริญสติในชีวิตประจาวันรูล้ลงปัจจุบันนี่ก็เป็นสมาธิประเภทหนึ่งเหมือนกันหรือเปล่าอารู้ลงก็เป็นจติภานาปสติรู้ลงปัจจุบันนะไม่ถึงขยับ ừ, ตัวนหก็นนเป็นสมาธิอย่างกายกตาสติ แห้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายการกระทําของร่างกายเรียกว่ากายกะตาสติเข<ช>ารู้ล ม, มหายใจเข้าออกก็เป็นเอานาฟานาสติเรารู้ว่าการ 3.2 เช่นท้างอาการ 3.2 ไปก็เป็นการรู้กายากตาสติอยการดําเนินชีวิตในปัจําบันเจ้าค่ะการเดินการหยิบจับอะไรถ้าเรามีสติอยู่ตลอดอันนี้ก็ก็เป็นสมาธิด้วยถ้าไม่ไปที่เดียวเอง เป็นสติไม่ใช่เป็นสมาธิสมาธินี้จิตต้องสงบนิ่งถึ ง, งเรียกว่าสมาธิอย่างถ้าจิตยังทํางานอยู่ยังรับรู้เรื่องนี้่องนี้นอยู่นี่เรียกว่าสติใช้ใช้ใช้การรับรู้ของจิตเป็นเป็นหลักจริงๆเหมือนกันถ้ามันไม่คิดก็รู้ได้ถ้ารู้เฉยๆก็ก็รู้ไปแต่ถ้ามันรู้แล้วไปคิดเรื่องอื่นด้วยอย่างนี้ก็ต้องหยุดความคิดเรื่องอื่น ถ, ถ้ารู้เฉยๆเป็นสมาธินี่ไหมไม่เป็นสมาธิเป็นสติ ถ้าจะเป็นสมาธิต้องต้อ ง, ต, องต้องปิดทวารทั้งห้าต้องเก็บรวมลงถึงจะได้ไเป็นสมาธิต้องรวมลงแล้วไม่มีความคิดปูนแต่งไม่รับเรื่องเรื่องอันใดทั้ง น, นัอยู่กับความว่าถ้ายังมีการเคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่เรียกว่าเป็นสมาธิเรียกว่าเป็นการเจริญสติสมาธิกับหลังหน่งทีสองอัปปนาส กับขันธิกาอุปปจาระขันิกะอุปจาระขันธิกะก็คือสงบนิ่งชโลธรรมยศเดียวถ้าสงบนานก็เป็นอัปปนาถ้าสงบล้วออกไปรับรู้เรื่องต่างๆรู้นิสิต่างๆก็เป็นอุปจาระอย่างนี้ถึงจะเรียกเป็สมาธิอันนี้จะเป็นจิตเข้าไปข้างในแล้วถึงจะเี้ก็เป็นสมาธิ ถ้าจิตยังอยู่ข้างนอกอย่างนี่ไม่เรีกวเป็นสมาธิเรียกว่าเป็นการเจริญสติแต่เราจะใช้คําสมาธิผิดกันในภาษาไทยเวล า, าทํางานแล้วจิตมันวุ่นวายก็บอกว่าวันนี้ไม่มีสมาธิในการทํางานครามจริงมันต้องใช้คำว่าไม่มีศสติในการทํางานเราก็เลยไม่เข้าใจคําว่าสมาธิที่แท้จริงต้อเป็นอย่างไรงก่นที่การที่เรา การที่เราใช้คําว่าสมถะเนี่ยค่ะจําเป็นคําว่าสมถะหมายถึงว่าจําเป็นต้องมีสมาต้องต้องต้องสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งไหมเจ้าคะที่เราใช้คําว่าทําสมถะก็มันต้องรมนองต้องรมนองเป็นอุเบกขาว่าอจากความคลื่อนตัวแต่ที่จะรวมงานเรือรวมช้ารวมงานก็เป็นอัปนารวมช้าก็จะเตยเตยรำมิกะถ้ารวมแล้วไปรับรู้ในมิอย่างนี้ก็เรียกเป็นวิชาสมาธิ มันไม่มันไม่ทําให้กิเลสอ่อกำลังลงไปออามาแล้วอาปฏิสียังทํางานเต็มที่อยู่เหมือนเดิมเมือนกำลัได้ย่างสมาธิซึ่งถ้าถ้าถ้าใช้คําว่าว่างจิตว่างคือหยุดคิดหยุดยิงก็บางทีเราอาจจะลืมตานั่งนั่งเฉยนั่งภาวนาแล้วมันก็จะนิ่งแต่เรายัางเรายัางเรายัางลืมตาอยู่ได้นั่นแหละแต่มั น, มน มันยังทํางานมันมีสางขานจัญญาทํางานตรงแต่งต่อตาลูกเสียงที่เราดูอยู่มันไม่เล็งมันไม่สงบ ม, ม, มันอาจจะละเอียดแต่เราไม่รู้ว่ามันทํา ง, งานอยู่ <c oughs> พอเห็นงูมาความนี้มันจะสะดุ้งขึ้นมา ท, าทันทีแต่ถ้าเราสงบนั่งอยู่ในสมาธิงู ม, มาเลยล อ, อกตัวก็จะได้รู้เรื่องนี้นต่างกัน รู้สึกว่ทุกวันนี้พอเ จ, จเริญเจริญสติใ น, นชีิตประจําวันแล้วมันก็ส ง, สงบสงบนิ่งดีเบาสบายก็ดีๆตอนนี้ไม่ไม่พอไม่พอยังไม่ยังไม่ไมเต็มที่แ ต, แต่มันก็ตัดความอยากความอะไรตอนน่อในไปไ ด, ไปได้ไปได้พอสมควรแล้วนะก็ดีๆก็ทําไปถ้าใส่สภาวะแบบนี้แต่แล้วเรานั่งสมาธิมันจะลวงง่ายขนาดไก็ลองทําดู คือการที่เราเป็นพุทธมรมกาะนะคะเรามีพระรัาาตาายเป็นที่ขึ่งก็พุทธามประสงค์เป็นที่พึ่งนะคะสวนสุดเหนือสิ่งในดนี้เมื่อเอินลูกเนี่ย ทำงานแล้วบางทีไปเจอลูกค้าเขามีเป็นเขามีตำหนักนะคะราาเป็นร่างทรงอันนี้เราก็เลยมาพิจารณาว่าเราควรจะทำตัวอย่างไรที่ให้เหมาะสมในในฐานะที่เราเป็นชุดมานะแล้วเราก็ดูแลลูกค้าได้โดยที่ว่า สบายใจเลยมากเราก็แยกส่วนเรื่องส่วนตัเรื่องของเขาเรื่องของเขาเร่องของเขาเจ้าแล้วเราก็มีความสคันเขาเชิญทางธุรกิจแต่เนื่องเขาจะเชื่ออะไรบ้งเหมืกับคนที่เขานักถือสนาต่างกับเาก็กว่าเขานับถือแต่เราก็จะไม่ต้องมาเชื่อตามเัา แต่ถ้าเขาจะเอาเป็นเงื่อนไขว่าเราจะต้องเชื่อเข้าถึงเชื่อเขาเชื่อศาสนาเขาแล้วถึงเข้าไปจะทาำธุรกิจกับเราทนี้เราก็ต้องต้องเรื่อกทางศาสนาเราแล้วเราต้องนําเสียสละธุรกิจไปค่ะเมื่อดังเสียดายธุรกิจที่จะต้องทํากับครัไปเนค่ะบอะให้สละใา้สละสละเพื่อรักษาวิญญาสระเอาวิญญาเพื่อรักษาชีวิต ใช่ไหมสุดท้ายแลากทำอรอากอะไรบ้างคือถ้าเรา ต, ต้องเปลี่ยนต้องเรียนรจากเปลี่ยนจากการรับถือพุทไปนับถื อ, ไ ป, ถอไปเท่าไปเท่ากับนับถือศาสนะเขาอย่างนี้ก็อย่าไปอย่าไปเสียดางของที่เราต้องเสียของที่เราจะไม่ได้รับจากเขาไม่ใช่ไหมค่ะใช่ค อยาไปเสียดายซให้รักษาธรรมดีวกว่าให้รักษาธรรมดีวกว่าเสียนเงินไดธรรมก็คือศาสนาของเราการปฏิบัติของเราการคาสอนของเจ้าจที่เป็นธรรมทัานั้นเป็นทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์ที่มีค่ายิ่งกว่าทรัพย์ภายนอกทรัพย์าภายนอกเพียงแต่ดูแลร่างการของเราให้อยู่อยู่ดีกินดีเท่านาั้นเองจะไม่สามารถแบกความทุกข์ภายในใจของเราได้ ถ้มีทรัพย์ภัยเนี่ยมีทำบ้าคือพอดีมีเขามีการทําบุญนะคะ ล, ลูกกระป๋ายไปร่วมบุญด้วยเพราะว่ามีพระสงฆ์สาลูกก็เขาก็บอกว่าอจุดธูปไหว้พระไหว้อธิษฐานขอพรจากเทพอะไรเงี้ยค่ะสิบหกดอกลูกก็โอเคไหว้แต่ว่าตอนที่ไหวเเเ้เราก็แล้วเรก็ถึงพระราตนะตายพระพุทธธรรมพระสงฆ์คือเราสามารถไปทําได้ถ้าเป็นเพียกิริยา <c oughs> ถ้าใจเราไม่ได้น้องเชื่อไปกับการกระทำเหล่านั้นเราทํ า, เ, าทเพื่อไม่ให้เสียหาอย่าอย่างที่เขามีคำพูดว่าอยู่เมืองหลิวต้องหลิวตาตามกระใจนะ <c oughs> แต่ใจเราก็ยังมั่นคงอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับศาสนาของเราอยู่เช่นเวลาเราไปงานแต่งงานของคนต่างศาสนาเขามีพิธีกรรมตางศาสนาที่เราจะต้องร่วมทําเมื่อเราก็ทํำไปเพื่อไม่ให้เสียห้อย่าเพื่อให้เกียรติเจ้าภาคกันได้ไ แต่เราไม่ได้ไปเชื่อหรือไปไปไปมีไ ป, ไ ป, ไปอะไรการที่เขาทาอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นประเพณีทางสังคม <Okay. S 1> สังคมก็ทําอะไรถ้าเราอยู่ในสังคมนั้นเราก็ต้องทําตามครับถ้าเราไม่อยากมาทําตามเราก็อย่าไปเข้าสังคมนั้นบาทีไปสังคมที่เขาดื่มชุรายนี้แล้วเราต้องดื่มเป็เวลานเขามีการถวายพระพร ในงานรําชาติของประเทศนี้ประเทศนี้นะเขามีการเอาเครื่อมาให้ดื่มถวายพระพออย่างนี้ถ้าเราทําได้ด้านด้วยถ้าเราทําด้วยกิริยาได้ก็ทําไปเช่นอมอมแล้วก็บ้วนทิ้งไปงนี้ใช่ไหมเวลาอาจจขอตัวไปข้าห้องน้ำแล้วก็ไปบ้วนทิ้งทาไปด้วยด้วยกิริยาไม่ได้ทำไปด้วยความชอบพอ ด้ความจัตตางความเชื่อแต่อย่างใด <Okay. S 1> แต่ทําไปเนื่องจากใังอยู่ในสายคมอยู่ยังต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่ก็ทําไปเพื่อไม่ให้เสียความรู้สึกต่อกันตรงนี้แต่เราต้องรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก อ, อ, อะไรดีหรืออะไรชั่อเราต้องรู้ว่าศาสนาสอนให้เราทำอย่างเราต้องไม่ฝืนคนําสอนของศาสนาอรเงี้ยใช่ okay.